นักบตัสสะภะควะโตอรหตโตสัมมาสัมบูตัสสะนับตัสสะภะควโตอรหตโตสัมมาสัมบูตัสสะนับตัสสะภะควโตอรหตโสัมมาสัมบูตัสสะอภิเรทะกัลยาเน ปาปาจิตตังนิวาระเยดันทังหิการโตปุญญังปาปัสมิงรัตมติมโนติอะนั่ลดับต่ตเตนี้ไปนั่งตามสบายก็เข้าถูช่วงเช้า ความธรรมและปฏิบัติธรรม <c oughs> วันนี้มีคนใหม่กี่คนนะมีใครมาใหม่มั่ ง, งนี่หนึ่งสองมาเอที่นี่แต่เก่ามาจากที่อื่นใช่ไหมฝั่นะงนี้กี่คนฝั่งนี้กี่อะสามพวกนี้เคยปฏิบัติมายังยังโวยยังไม่มานั่งแถวนี้หรอกมันจะได้เห็นหน้าทีมานั่งแถวนี้มานี่ที่ว่างๆเนี่ย ไม่ต้องนั่งติดกันนั่งงนี้นั่งนี้มานั่งตรงนี้มาเดี๋ยวคนอื่นมาที่หลังให้เขาไปนั่งกลางในอือเออมาตั้งตรงนี้ไม่ไมยังไปนั่งหลบซะอีกเออน้าที่ว่างไม่ต้องนั่งถึงกันหรอกนั่งงานกันมาด้วยกันปะมาด้วยกันเออนั่นแะ เมื่อกี้เราก็อารัตนาศีนี้เราต้องตั้งใจฟังให้ดีว่าศีนเป็นเรื่องของอะไระนคนเก่าสามสิบครั้งวันนี้ครั้งที่เท่าไหร่ฮะครั้งที่เท่าไหร่เ น, นี้ยสามเก้า <39, S 2> ป 39, เออโอ้โหสามสิบเก้า ที่เตะไปทาซีดีนั่นกี่ครั้งอ่ะทั้งหมดสามบกครั้งสามบกครั้งมันปาก็ไปเจ็ดสิบชั่วโมงอ้าวศีนเป็นเรื่องของอะไรฮะเออเป็นเรื่องของอะไรที่เขาตอบมีคนอื่นตอบอีกไหมศีลเป็นเรื่องของอะไร นะศีลเป็นเรื่องของสัจจะในชีวิตรุ่นๆเลยนะเป็นความเข้มข้นของใจโดยปกติศีลก็แปลว่าปกตินั่นแหละคือปกติของคนนะมันต้องเป็นอย่างนี้ปกติของมนุษย์ที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขได้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ ก็คือต้องมีคุณสมบัติตามศีลหข้อนั่นแหละแต่ถ้าถามว่าเราสมาทานศีลทำไมนี่เป็นเรื่องราวของสัจจะสัจจะตรงไหนอ่ะสัจจะตรงที่ว่าข้าพเจ้าขอสมาทานสมาทานคือถือเอาด้วยดีนะข้าพเจ้าจะขอสมาทานว่าข้าพเจ้ายกเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตของสัตว์อื่นทุกชนิด สัจจะไหมสัจจะข้าพเจ้าจะสมาทานว่าจะหดเว้นจากการเบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเด็ดขาดสัจจะไหมสัจจะข้าพเจ้าจะไม่รับเบิดคนรักของใครไม่นอกใจคนรักของตนโดยเด็ดขาดสัจจะไหมอะสัจจะ ข้าจะพระพเจ้าจะไม่พูดคําโกหกเด็ดขาดไม่ว่าจะพิมพ์จะเขียนจะแสดงกิริยาหรือจะพูดให้คนอื่นเข้าใจความจริงอย่างหนึ่งและให้เขาเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนี้ข้าพเจ้าจะไม่ทําเด็ดขาดเลยสัจจะไหมเออข้าพเจ้าจะงดดื่มสิ่งมึนเมาอันทําให้เสียสติสัมปชัญญะโดยเด็ดขาดสัจจะไหมเออถ้าเรามีความตั้งใจอย่างนี้ถึงห้าข้อ คิดดูทีนี่แหละเรียกว่าสัจจะมันเข้มข้นมันมีผลต่ออะไรมีผลต่อใจของเราถ้าเราสมาทานศีลอย่างนี้สัจจะที่ตั้งขึ้นในใจของเราแบบนี้มันจะทำให้ใจของเราเปลี่ยนมันจะทำให้ใจของเราพัฒนาพัฒนาในระยะแรกสามารถที่จะขัดเกลา ไอ้ใจมันไม่เหมือนอย่างอื่นนะไอ้อย่างอื่นนี่คาว่าพัฒนามันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มเพิ่พิ่มขึ้นแต่ใจนี่ถ้าพัฒนามันต้องขัดเกลวขัดเกลวขัดเกลวขัดเกลวใจไม่เหมือนอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นการสมาทานสี่ห้าข้อเป็นการตั้งสัจจะไปที่ใจของเราปักลงไปแน่นๆเกิดความเข้มข้นขึ้นที่ใจแล้วการสัจจะอันนี้มันจะทําให้เกิดการขัดเกลว ทำให้เกิดการขัดเกลวส่วนหยาบของใจถ้าเป็นแท่งเหล็กที่เป็นสนิมอันนี้ก็คือการรูปด้วยกระดาษทรายหยาบใช่ไหมเออเกลวไปก่อนเป็นการขัดเกลวส่วนหยาบของใจออกไปไอ้ส่วนหยาบของใจตัวเนี้ยมันจะมีผลต่อพฤติกรรมที่มันออกมาทางการกระทำและการพูด เพราะฉะนั้นคนเราที่มีการกระทำไม่ดีมันมาจากส่วนหยาบของใจส่วนนี้ที่มีการพูดไม่ดีด่ากันทะเลาะกันโกหกใส่ความส่เสียดยุยงให้เขาแตกแยกกันถือผิดถือถูกรู้ว่าผิดรู้ว่าไม่จริงแต่พยายามทำให้มันจริงอะไรเงี้ยนี่ออกมาจากความหยาบของใจ พอสมาทานศีลใช้สัจจะตัวนี้ปักเข้าไปห้าประการเนี่ยความหยาบของใจตรงนี้ถูกควบคุมด้วยศีลถูกขัดเกลาออกไปอันพฤติกรรมของของคนที่มีศีลก็คือไม่เบียดเบียนชีวิตซึ่งกั น, ลกนและกันแล้วก็ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินซึ่งกันและกันไม่ทําลายไม่ระเบิดคุณรักของกั น, ลกนและกันแล้วไม่ ไม่ใช้วาจาของตนอันเป็นผลทำให้เกิดความเสียหายซึ่งกั น, ลกนและกันแล้วก็ไม่มึนเมาขาดสตินี่พฤติ ก, กรรมของคนมีศิถ้าถามว่าคนแบบนี้มีเยอะไหมก็เยอะในยามปกติของเราเช้าขึ้นมาเราตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเปลงควันใช่ไหมกันก้าวเสร็จเราก็คือนั่งรถมานี่เราก็ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตนไหนไม่ได้ไปข่ามวยของใครไม่ได้ไป เราพฤกษผิดลูกเมียใครไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงใครไม่ได้ดื่มสุราอาญาโมองอะไรถ้าดื่มมันก็ไม่มาหรอกเอแต่ถามว่าตรงนั้นน่ะมันมีศีลไหมมันมีแต่มันอ่อนมันไม่เข้มข้นพอเราสมาทานอย่างเงี้ยตั้งสัจจักข้าไปอย่างนี้ปักเข้าไปที่ใจของเราอย่างนี้แต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้ อ, ขอมันเกิดความเข้มข้นขึ้นใจมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลง ทีนี้อารมณ์ของใจเราเนี่ยมันมีทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดตราบใดที่นิวรหายังอยู่เห็นไนิวรห้าคืออะไรนิวรห้าก็คือความพอใจรักใคร่เนี่ยตราบใดที่มันยังมีความพอใจมีความรักใคร่อยู่ตราบใดที่มันยังมีความหุดหิดตราบใดที่มันยังมีความหุดหิดมีความโกรธมีความพยาบาทอยู่ ตราบใดที่มันยังมีความฟุ้งซ่านตราบใดที่ยังมีความขี้เกียจท้อแท้ตราบใดที่มันยังมีความสงสัยอยู่นี่เรียกว่านีวันห้ตราบใดที่อันเนี้ยมันเพ่นพ่านอยู่ที่ใจของเรามันมีผลที่จะส่งมาให้เกิดการทุศีนได้ตลอดเวลา เ, ออเพราะว่าไอ้ที่ว่าเนี่ยไอ้ที่ว่าความพอใจรักใคร่ ที่ว่าความหุดหิดที่ว่ า, าความฟุงฟ้งเฟุ้้งซ่านฟุ้งซ่านมีอารมณ์ฟุ้งซ่านความท้อแท้เหนื่อยหน่ายขี้เกียจความชอบสบายความห่วงและก็ความลังเลความสงสัยเรื่องราวต่างๆเนี่ยตราบใดที่เรื่องราวเหล่านี้มันยังมีอยู่ที่ใจเนี่ยมันก็สามารถ เพราตัวเขาเองมันทําอะไรไม่ได้มันก็สามารถที่จะส่งผลส่งผลออกมาให้เกิดเจตนาอันเป็นทุจริตของความหยาบของใจทีนี้ถ้าเราสมาทานศีลอย่างนี้แล้วเรามีสัจจะอย่างนี้แล้วว่าเราจะหดเว้นจากการบียดเบียนทรัพย์หดเว้นจากการบิดเบียนชีวิตหดเว้นจากการประพฤติผิดหรือละเบิด คนรักของใครหดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยคําพูดหดเว้นจากการเสพสิ่งมินมองอันทําให้เสียสติสัพจัญญะอันนี้เป็นสัจจะที่ปากไว้แม้นิวรห้ายังอยู่เมื่อคราใดที่เราไปกระทบกระทบกับสิ่งข้างนอกใช่ไหมแล้วมันเกิดความหูดหงิดขึ้นมาเออพอเกิดความหูดหงิดขึ้นมา ความหดหิดที่แข็งแรงแก่ตัวฟักตัวหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยอันทำให้เกิดโทสะซึ่งมีผลทำให้เราต้องไปด่าเขามีผลทำให้เราต้องไปเบียดเบียนละทุศร้ายเขาเนี่ยมันถูกกีดกันถูกรละครับด้วยศีลเนี่ยเยขาตึองเรียกว่าศีลคืออาวุธศีลคือกำแพงตรงเนี้มันป้องกันเราไม่ให้เป็นคนชั่วร้าย พอมันเกิดความหุดหงิดขึ้นมาปั๊บนี่หูดหงิดนี่เป็นเรื่องปกตินะของนิวรณ์ของคนที่มีนิวรณ์อ่ะหุดหงิดง่ายอยู่แล้วคฟังพระพูดนานๆก็เบื่อเริ่มหุดหงิดแน่ๆนนหุดหงิดปั๊บแล้วก็มันจะฟักตัวแข็งแรงพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆๆๆจนเป็นโทสะจนเป็นพยาบาทเกิดความร้ายกาจขึ้นมามันก็จะส่งผลออกมาทางกายทางวาจา แต่พอมีศีลปั๊บเนี่ยมันพอจะทะลุออกไปทางกายทางวาจาด่ศีนี้ยั้งไว้เรื่องนาจของศีล น, นี่เรียกว่าความเข้มข้นของใจที่ตอบว่าศีลคืออำนาจของสัจจะที่ตั้งปักอยู่ที่ใจของเราทีนี้ความมุ่งมั่นความพยายามในการที่จะตามรักษาศีลเนี่ยมันเหมาะกับทุกเพศเหมาะกับทุกวัย ทนสถานะของเราเนี่ยจะให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์ตามฐานะของตนก็ด้วยกำลังของศีลเป็นเบื้องต้นทั้งนั้นน่ะถ้าเป็นขเรื่องหัตถชนอย่างพวกเราอย่างนี้เรียกว่าขเรื่องหัตชนยังมีกิจมีกังวลมีอะไรมีความห่วงใยมีเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบมีการร่ำการเรียนการทำงานงต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในระดับของศีลอะไร สิห้านี่วันนี้อัปเดตตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นอุโบสถตศีลก็เป็นอุบาสกที่ถืออุโบสถตศีลป์แต่ถ้าเกิดมันขัดเกลีไปเรื่อยๆเปลี่ยนภาวะ ต, ตัวเองไปเป็นสามเณก็เป็นฐานะของสามเณรก็ศีบ ส, ส, ส, สิบ ทัศสิขาบทขัดเกาไปเรื่อยๆืเปลี่ยนฐานะมาเป็นพระภิกษุก็ต้องสองอยยี่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นกำลังของศีลคือความบริสุทธิ์ตามฐานะนะถ้าเราเป็นเการตรกรชนปกติทั่วไปหาเช้ากินก่ําเราต้องรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยศีลห้าประการด้วยการตั้งสัจจะอย่างนี้ เมื่อตั้งสัจจะลงไปได้สี่ห้าข้อแล้วเนี่ยความหยาบของใจมันถูกขัดเกลาไปแล้วไม่รู้แหละมันยังหุนหิตปกติยังโกรธปกติยังอยากได้ปกติยังเป็นปู่ตชนคนหนาด้วยกิเลนนี่แหละแต่ความหนาอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถทะลุออกมาทางพฤติกรรมให้เป็นการกระทำและการพูดได้ก็ด้วยการปิดกัน้นการยับยั้งของศีลเนี่ย เพราะฉะนั้นแค่ศีลข้อศีลอย่างเดียวเนี่ยมันสามารถทำให้โลกนี้เกิดภาวะของความสันติสุขได้แก่ที่เราสมาทานกันเมื่อกี้ที่ห้าข้อนี้ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งได้เลยละลายคุกได้เลยเห็นไ พบประมาณที่จะต้องไปสร้างคุกงบประมาณที่จะต้องไปทําเป็นสถานพินิษฐ์บ้านเมตตากรุณาเมตอะไรบ้านอุเบกขาอะไรต่างๆเนี่ยละลายได้เลยและสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขได้อีกดูสิแค่สีหน้าข้อเนี่ยมันทําให้เราพัฒนาไปเยอะมากเลยนะแต่พอเรา ภาพที่เราเห็นในใ น, ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเช้าขึ้นมาเราเปิดทีวีดูข่าวอ่านหนังสือพิมพ์อ่านเมสเซจอ่านเฟซบุ๊กอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีเราสังเกต ด, ดิมันมาจากการระเบิดต่อศีลห้าข้อนี้ทั้งนั้นและศีลห้าข้อที่ทะลุกออกมาเนี่ยมันมาจากความหยาบของใจเนี่ยคิดดูดิ เรื่องง่ายๆที่เราจะต้องทำมันเป็นพื้นฐานท่านเพงบอกว่าศีนี่เป็นเบื้องต้นของความดีเราจะทำความดีอะไรก็ช่งอะเราจะต้องตั้งต้นที่ศีลตัวนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติอยู่ในวัดในวาอยู่ในกรอบอยู่ในกาแพงแต่มันเป็นมนุษยธรรมมันเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ มนุษย์ตินุ่งกางเกงใส่เสื้อแต่งตัวกันอยู่อย่างเนี้ยมันต้องมีคุณสมบัติตรงนี้เขาจึงเรียกว่ามนุษยยธรรมหุดหิตได้แต่ไม่เบียดเบียนเห็นไหมอยากได้แต่ไม่เบียดเบียนทีนี้ก็แปลอีกคำหนึ่งอาเสียงก็แปลว่าปกติ ปกติของมนุษย์ก็คือไม่เบียดเบีย น, น, นกันเรื่องงานอะไกันทุกๆด้านไม่ว่าด้านทรัพย์สินด้านชีวิตด้านคนรักของรักแม้กระทั่งด้านสติปัญญาลดเวากการไปเป็นเที่เรียกว่าป ก, กติสีละตัวนี้แปลว่าป ก, กติที่พระพุจ้าให้อานิสงส์ว่าสีเลนะสุกติยันติเมื่อกี้ที่บอกสีเลนะสุกติยันติว่า เมื่อมีศีลแล้วอาี้สง์ของศีลคือทำให้เส้นทางชีวิตไปดีสุกตินะอย่าแปลแต่นระกอย่าแปลแต่สวรรค์อย่างเดียวนะสุขดีค ต, ติแปลว่าที่ไปสุกติแปลว่าทางทางไปชีวิตอะดีแปลอย่างนั้นมั่งศีเลน่าโพกสัมปทามีความสุขกับโภกกระซับก็ด้วยอำนาจของศีลเนี่ยอย่าแปลว่ารวย ไม่ร้อนใจเรื่องพวกกรสับกรบัไม่ร้อนใจเรื่องทรัพย์สินเงินทองไม่เดือดร้อนแต่ไม่ได้หมายความว่ามันต้องมีมากมายนะใช้สักบาทสองบาทสักสิบบาทสักร้อยบาทมีความสุขกับการชาใช้จ่ายไม่เป็นโทษเพราะอะไรเพราะสินทําให้ทรัพย์นั้นบริสุทธิก็ลองนึกภาพดิถ้าหกโกงก็มาร้อยบาทขโมยของก็มาหนึ่งร้อยบาท แล้เอาเงิหนึ่งร้ยบาทไปซื้อไว้แขกมีความสุขกับการใช้ไหมกลับเราทำงานได้มาอย่างสุดจริตหนึ่งรอยบาทแล้วเราไปซื้ อ, อโอเลี้ยงโอเลี้ยงรู้จักไหมเราไปซื้อโอเลี้ยงนักถุงหนึ่งเนี่ยคิดดูดิการใช้จ่ายทรัพย์นี้อใครจะมีความสุขทางใจมากกว่ากัน เพราะนี่แหละสีเลนะพกกัสัมปทาละ่ะอย่าไปให้ความหมายแต่ว่ารวยก็เพราะศีนีน่ถึงพร้อมด้วยพวกกัทรัพย์คือใช้ใจทรัพย์แล้วมีความสุขสีขลสเลนนี่ผูดจิงยันติทีนี้แหละถึงความเย็นใจไม่ร้อนใจแต่เราเป็นอยู่สีหน้ารักษาศีน้ำปกติมาตลอดเลย ไม่ปล่อยให้ทุจริตทางกายทางวาจาของตนออกไปเพ่นผ่านต่อชาวโลกเขา อ, อยู่ในหมู่บ้านบ้านใกล้เรือนเคียงกันน่ะเราอยู่บางทีเราก็ไม่ชอบใจเราก็ส่งเสียงดังแต่เราไม่เคยไปด่าว่าเขาไม่เคยไปทะเลาะ ก, กับเขาเมื่อถึงคราวที่จะต้องเจอหน้ากันแม้ใจนี้มันรู้สึกว่าไม่ชอบพฤติกรรมบางอย่างกับเขาแต่เราก็ใช้ปิยวาจาสนทนากัน ผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปเราไม่มีเลยไม่ได้ฆ่าใครไม่ได้ลักขโมยของใครไม่เคยชอบโกงใครเขาเรียกว่าเดินไปตรงไหนก็อาจหานแกล้กลา อ, อ, อย่างไป น, นักเรียนน่ะไปเรียนหนังสือตอนเรียนมัธยมเนขโมยของโรงเรียนไปขายผ่านไปเก้าปีสิปีตัวเองทางานเป็นผ อ, อ, อแล้ว กลับมาเที่ยวโรงเรียนอีกทีไปเจอหน้าครูไปเห็นของเก่ารู้สึกยังไงไม่ค่อยอาจหารเดี๋ยวเลยไม่อาจหารแก้วกล้าแล้วเพราะมันมีมณทินเพราะฉะนั้นมันมีหลักอย่างหนึ่งว่าทุกๆ ก, การกระทําของเรามีผลเสมออย่าคิดว่ามันผ่านไปแล้วนะไอการกระทํำมันผ่านแล้วแต่อย่างหนึ่งที่จะต้องจําไว้ว่า ทุกๆ ก, การกระทำมีผลเสมอนี่เป็นเรื่องของอะไรผู้่างนี้เรียกว่าเรื่องของอะไรเรื่องของกรรมศัจจะที่ว่าด้วยเรื่องของกรรมทุกๆ ก, การกระทำมีผลเสมอถ้าลืมไปแล้วเราลืมไปแล้วแต่อะไรเป็นตัวเก็บไว้จิต ตัวสะสมและเก็บไว้ที่เขาเรียกว่าจิตจิตจิตเรา น, นั่ยนะเขาเรียกว่าแปลว่าสะสมเมื่อไม่นานมานี้ส่งพระไปเข้าห้องเข้าห้องอยู่ที่ราชบุรีเจ็ดวันแรกท่านกาให้เก็บอารมณ์ก่อนหลังจากนั้นอีกเจ็ดวันก็อยู่กับ อยู่กับอิรญาบททุกทุกขณะที่เคลื่อนไหวอยู่กับสติอยู่วะอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปมัปนผุดมาหมดอะแล้วตา ก, ก็ไปรับหลังจากครบแล้วก็ไปรับก็มาถึงของพ่อทำไมผมขอเอไดงาบัตรหน่อย <S <S เรื่องอะไรวะมันผุดมาหมดอะโยนไม้แล้วมีมดเกาะ อ, อยู่แล้วรู้สึกร้อนใจมาก โยนไม้ออกไปแล้วมีมดเกาะ อ, อยู่คาดว่ามดนั้นอาจจะตายแล้วรู้สึกไม่สบายใจตั้งนานแล้วเออนานมากแล้วอ๋อแล้วผมว่าผมว่าทำไ ม, ม, ามากะผมนะตอนผมเรียนหนังสืออผมพูดไม่ดีกับแม่เลยอ่ะมันโผลมาเลยเนี่ยมันโผลมาแล้วมผมไม่สบายใจเลยอ๋อเพราะ<ม>อะไรรนะู้ปะ เพราะทุกๆการกระทําที่กล่าวมันมีผลสเสมอการกระทําของเราจบไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วบอกเราก็อาจจะพูดได้เฮ้ยเรื่องมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วแต่การกระทําทุกๆการกระทํามันมีผลอยู่สเสมอจิตเ ร, ราจะสะสมไม่หมดทุกเรื่องก็สังเกตตัวเราเองสิว่าเราเป็นคนนิสัยอย่างไรไอ้ความเป็นแบบนี้ของเรามันไม่ใช่เพิ่งเป็นวันนี้แต่แน่แน่ที่สุดคือเมื่อก่อนเราไม่เป็น มันมีจุดหนึ่งที่เราไม่ได้เป็นคนแบบนี้อ้าวใช่ไหมเราไม่ได้เป็นคนแบบนี้เมื่อก่อนเราไม่ได้เป็นคนแบบนี้แต่เดียวนี้ทำไมเราถึงเป็นคนแบบนี้เพราะเราสั่งสมความเป็นอย่างนี้ของเรามาเรื่อยๆสั่งสมความเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆ พอเราสั่งสมความเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็กเป็นแบบนี้กันไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเดือนนี้เราก็เลยบอกว่าคนปัจจุบันนี้มันเป็นอีกเจเนเรชั่นหนึ่งที่ต่างจากนี่แมวาวันบอว่าเราก็ต้องมารองอยอมรับความเป็นจริงที่มันปรากฏอยู่ในปัจจุบันในลักษณะความเปลี่ยนแปลงค่านิยมของมนุษย์ใช่ไหม แต่ในที่สุดแล้วมนุษย์ก็ยังต้องมาเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจลำบากมีปัญหาเยอะแยะมากมายไอ้จากอำนาจของการทุศีนทั้งนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> มันจะไปเจนเนเรชั่นไหนก็ช่างถ้ามันจะเดือดร้อนเบื้องต้นจะเดือดร้อนเพราะการกทุศีนนี่แหละเอ้าจริงไหมจริง ไม่ว่าไปอยู่ในยุคไหนนี่เดี๋ยวก็จะอะไรนะประเทศไทยอะไรสี <4. S 1> ่วีวีซีออะอืมสี่จุดศูนจินตนาการอะไรคือสี่จุดศูนฮะอารมาจะบอกให้ ไม่ว่ามันจะไปอยู่ในยุคของจุดอะไรถ้ามันไม่มีสีห้าข้อนี้มันเป็นกาลียุคทั้งสิ้นไม่ว่าจะไปอยู่ในยุคไหนถ้าไม่ได้เริ่มต้นด้วยสีห้าข้อนี้มันเป็นกาลียุคทั้งนั้นตอนนี้ประเทศไทยมีกี่จังหวัด ที่มันจับทุจริตเรื่องเงินของการศึกษ า, ากี่จังหวัดอะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนียมันเป็นตามมั น, ม, นมันเห็นดูได้ยินข่าวไงเออมันเป็นไม่ได้ด้วยเนาะอา้าวเมื่อก่อนเราบอกว่าวัยสาธารณาสุขนี่เป็นเรื่องของคุณธรรมนะพวกนี้ก็จะมีจิตเบตตา มีอุดมการเข้าไปเพื่อดูแลผู้ป่วยเห็นคนป่วยแล้วมันทุกข์ยากลำบากแล้วเกินคำพมดทุกคนผลปรากฏว่าเ ป, เป็นไงกี่เปอร์เซนต์เอาไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไอคนตาดีก็ไปใส่ให้เป็นตาบอดอ่ ชื่อก็ไปใส่เยอะๆๆๆๆเองแปลกไหมมันไม่แปลกเลยมันแค่เป็นเรื่องที่เขาไม่ไม่มีศีลเท่านั้นเองมันแปลกตรงไห น, นเออเพราะฉะนั้นเราจะไปอยู่ในยุคสี่จุดศูนย์สี่จุดหนึ่งสี่จุดสองสี่จุดสามหรือไม่ห้าจุดศูนต่อย่อยไปเอาแนั้นนะ <S <S ถ้ามันไม่มีศีล มันก็เป็นกะลียุคนี่กะลียุมไหมกะลียุกไหมโอ้เงิน oh. mm hmm. ทอนวัดด้วยเออไม่อย่าพูดอย่างนั้นศ <laughs> ุสศาสต์จะไม่พูดถึง <laughs> ไม่กำลังจะพูดอยู่ <laughs> <laughs> เมื่อไม่มีศีล <laughs> พีนาตรงนั้น และนี่อีกอย่างนะนี่พูดเงียบๆนยมันถ่ายทอดเป่าเลยเช่นเฮ้ยเปิดก็ได้ไม่กลัวหรอกเรื่องภาษีอ่ะการประกอบรายได้ของคนในชาติไหนก็ตามถ้าเราสามารถทำรายได้ให้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราต้องจ่ายภาษีพระพุทธเจ้าสอน ประโยชน์ตการถือพระกระซับหนึ่งอะไรเลี้ยงตัวมารดาบิดาบุตรภรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขสองเลี้ยงเพื่อนผูงให้เป็นสุขสามบำบัดอันตรายที่เกิดเตต่างๆสี่ทำพลีห้าอย่างคือญาติพีสงเคราะญาติอดิติพีต้นรับแขกบุป เ, บเอร์บุปเปอร์เพตาพีทำบุญอุทิศได้ผู้ตายราชพีถวายเป็นหลวงมีภาษียากรเป็นต้นมันต้องมีส่วนหนึ่งที่เกียดออกมาเป็นภาษียาก่อนถามว่า รายได้ที่เกิดกับบุคคลในชาติเราตอนเนี้ยที่ไม่เสียภาษีกี่เปอร์เซ็น <Yes. S 1> ฮะ <Yes. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยเกดก็บอกว่าพระด้วยอีกฮะไม่ก่อให้เกิดภาษีไม่จ่ายภาษีกี่เปอร์เซ็นต <Yes. S 1> และจํานวนเปอร์เซ็นตนั้นที่ไม่จ่ายอะ่ะ <Yes. S 1> คิดดูที่ถ้าจ่ายอะ่ะ <Yes. S 1> มันจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศเรา เออและที่บริษัทห้างร้านต่างๆพยายามทำกันอยู่จ้างนักบัญชีเข้ามาทำบัญชีเออไอนี้ปิดให้หน่อยก็ยได้และนักบัญชีคนทำบัญชีเนี่ยมันมันก็ไปรู้จักกับใครรู้จักกับใครไม่รู้อ่ะแต่ว่าบัญชีส่งไปแล้วถูกต้อง ถูกต้องอัตมาจึงเห็นด้วยที่เขาให้ทําเป็นอะไรวะเงิน อ, อะไรวะเงินดิจิตอลภาวะร้ายเงินสดนี่เห็นด้วยเลยของวัดอัตมาก็เห็นด้วยในของวัดระเบะิดรำเทวัดแรกเสร็จแล้ว <c oughs> ใครอยากบริจาคเดี๋ยวมีคีวากุศลเพราะระบบตรวจสอบมันร้อยอร์เ็นตะ คิวอาโคของวัดก็คือว่าวัดมีบัญชีที่เป็นคิวาโคตใครจะบริจาควัดไม่ต้องออกอนุโมทนาบัตรแบงก์เป็นคนออกให้เงินบริจาคปุ๊บเข้าวัดเลยไม่ต้องไปผ่านใครเออโยมบริจาคขึ้นมาจะเอาใบอนุโมทนาบัตรไหมถ้าเอาใบอนุโมทนาบัตรปั๊บก็ติ๊กก็ไปแบงก์ก็ส่งใบอนุโมทนบัตรให้ใบอนุโมทนาบัตรนั้นแะภาษีก่อนได้เข้าใจปะ เออแต่ว่ามันก็มีช่องไม่มีมาตรการอันใดที่จะระยับยั้งพฤติกรรมที่เป็นอาจยาหรือทุจริตของมนุษย์ได้เท่ากับสัจจะที่มีในศีล น, นั่นแหละคำตอบที่ว่าศีลเป็นเรื่องของสัจจะล้วนๆและอีกเยอะแยะมากมาย ในกระบวนการใหม่ๆเนี่ยยิ่งเรามีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นพัฒนาไปเรื่อยๆช่องทางมันก็จะยิ่งเยอะช่องทางมันก็จะยิ่งเยอะดูเมื่อก่อนนี้เราพูดกันหนึ่งเรื่องว่าการใช้โทรศัพท์มือถือเวลาเราเดินไปตมานี่เคยเจอมาแล้วนะปอยมุกดาหารเขานี่มนปเทศที่มุกดาหาร ก็ไปถึงเด็กไปส่งที่เครื่องออกห้าโมงเย็นวันนั้นเครื่องมันรถมันไม่ติดออกจากวัดเที่ยงครึ่งไปถึงยังไม่ทันบ่ายโมงถึงดอนเมืองแล้วไอ้คนไปส่งมันก็กลับแล้วไอ้พระเราเนี่ยเวลาไปอยู่ในที่ชุมชนมากๆแม้คนเยอะก็เหมือนตัวคนเดียวนะถ้าไม่มีลูกศิษย์เข้าใจป่ามันไม่มีใครสนใจกันเดี๋ยวเนี้ยมันดิสเครดิตพระเครื่อน มันดิดเครดิตจนพระนี่หัวเดียวกับเทียมรีบแล้วเรื่องมวนเกิดเชียงใหม่มันก็ออกมาด่าทีด่าทั่วโลกอ่ะเกิดโน่นกันกระด่าทั่วโลกอ่ะไอไอ้กูไม่ดืไม่ได้อะไรกับเขาก็เดือดร้อนกันไปด้วยไปถึง <teenagers> อยู่ที่สนามบินน่ะนี่ตังก็ไม่มีพระไปซื้อมันก็ดด้อีกอ่ะจะไปขอก็ไม่ได้ผิดวินัยไว ที่นี่เราก็วัดดวงไปหิวน้ำมากตั้งแต่เที่ยงครึ่งไม่ได้กินน้ำไอ้ลูกสาวอ้คิดดูดิ <S <S 1> <S 1> เดินไม่ถึง <S <S นั่งดูว่าไอ้คนไหนที่มันมีวาสนากับเรามั่งคือมันมีเซนบางอย่างไว่าถ้าไอ้คนนี้มันน่าจะบอกได้มองไปนี่รุ่นรุ่นคุณหมอเนี่ย รุ่นนี้ก็เหมือนกันรุ่นนี้ก็ทุกๆุรุ่นเลยนั่งกม้มหน้ากม้มตากดตัตรับย์ไอเราเดินผ่านชําเรืองอย่างนี้ถือว่าไม่มีวัสนาอะไรใช่ไหมจะไปบอกว่าโยมซื้อน้ำหาน้ำแอ่ตามาหน่อยได้ไ้ยไม่ได้แล้วดูเงไม่มีเลยนะวันนั้นทัาในานี้อยู่ที่นั่นด้วยก็แสดงว่าไม่มีวัฒนาเหมือนกันก็เ <S S 1> ดินไปก็หาแล้วเข้ากุเกตจะห้าโมงอะ เข้าไปในเกตเกตก็เครื่องบินสายการบินหนึ่งตั้งแต่มันเกิดเรื่องเกตมันอยู่ไกลไกล อ, <c oughs> อ้ป่าจะถึงที่เกตนั่งไปถึงนั่งเสร็จดูที่เกตอีกเดีลยวคนนั่งกันเหมือนเดิมเลยดูน่ามากไม่สนใจเลยเราก็ไปเห็นอะไรตกว่าเห็นรอปภคิดว่าเออรอปภมันน่าจะเป็นพวกเราเนาะ <c oughs> ก็เดินเข้าไปหามันแล้วไม่ต้องห่วงนะไอ้ที่นั่งก็เขียนว่าที่นั่งสําหรับพระภิกษุอ่ะ มันก็นั่งกันไปเรียบร้อยแล้วแต่เราเดินก็ไปใกล้ๆที่นั่งนั้นนะมันหันมาเห็นหันไม่เห็นเสร็จมันก็ก้มไม่สนใจเพราะมันก็ไม่รู้ว่าที่นั่งนั้นนะของพระมันไม่อ่านนะแถวหน้าสุดอนะใกล้เคานเตอร์นั้นก็เขียนไว้นะทีหลังไปสนามบินต้องดูนะสงสารพระไอ้พระจะไปล่เดี๋ยวก็โดนด่าอีกอะไรวะเป็นพระเป็นเจ้าไม่รู้เรื่องนะ เอเจ้าหน้าที่มันก็ไม่กล้าพูดหรอกเพราะคนมันนั่งอยู่อ่ะอันี้เราก็ไปคุยร อ, รอเพราะส น, นามบินเขาไม่มีที่เลี้ยงน้ําผู้โดยาสารมั่งเหรออ๋มีพ่อมีมีมีมามามาเดี๋ยวผมพาไปโอ้โหเผาโข่อ ย, ยังชั่วเว้ยเดินไปถึงมันเป็นตู้ขึ้นมาอย่างงี้แล้วมันมีก๊อกน้ําเป็นเดือยโผล่มาอย่างงี้เดี๋ยวมันก็ไปกดใช่ไหมน้ําก็พุ่งออกมาแล้วเอาปากไปรับออืื ใจไม่ถึงเว้ฮยฮอดอะไร ไ, ไม่ได้ฉันไม่กล้าฉันเดินกลับมาก็ชวนมันคุยอยู่ด้วยมันยังไม่รู้เลยวพระนี่ก็หายน้ำมากแล้ <c oughs> อดในสนามบินตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงห้าโมงเย็นไม่ได้ฉันน้ำก็เดินขึ้นพอถึงขึ้นเครื่องเสร็จโอ้ยสายการบินนี้ดีชมหน่อยคืนอนกแอมัน มันมีอาหารเย็นมาเลี้ยงใช่ไหมถึงเอามาถึงจะเออโยมอันจะมาไม่เอาข้าวหรอกขอแต่น้ําอย่างเดียวเนี่ยได้ไหมไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะถ้าหลวงพ่อจะเอาน้ำหลวงพ่อต้องเอาทั้งห่อเลยเพราะว่ามันมีน้ํามันอยู่ในหอนี้มันเป็นถุงห่อไงข้างในก็มีของกินแล้วก็มีน้าขวดแค่นี้ไอ้แบนๆน่ะดูมันพูดอ่ะไอเราบอกว่าเรามันมันน่าจะรู้ว่าพระมันไม่ฉันมือเย็นบอกเราขอแต่น้ํามันบอกว่าไม่ได้ มันมันเป็นเวรกรรมเราแลา้วมั้งมันบอกว่าไม่ได้ทําไมอ่ะเพราะน้ํามันอยู่ในถุงนี้ถ้าหลวงพ่อจะเอาหลวงพ่อจะเอาทั้งหอ่อดูมันเราก็เลยสะกิดไอ้คนกลางๆไอ้ไอ้หนุ่มมึงเอามาทีแล้ว เ, เอาน้ํามาให้หลวงพ่อแล้วที่เหลือมันออกไปเราก็ไม่งงหรอกงานเนี้ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละได้ความลุกแลกขนาดนี้พอไปถึงมุกดาหารสุวรรณไปรับที่สนามบินไอ้ที่ มันมันบินลงบินดีนครปรมนมั้ยนะครปนมีสว่วนไปรับที่นครปนมั่นอืมเดี๋ยวนี้ยุคนี้มันเป็นแบบนี้เลยอันนี้มันบีบอะไรมันบีบให้เราต้องทํำยังไงมันบีบไม่เราต้องพกตังมันบีบไม่เราต้องเดินเข้าไปซื้อของในเซเว่นใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าเราไม่ทําอย่างนั้น啊 เราก็ต้องพาลูกศิษย์พอพาลูกศิษย์เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สองเท่าเราก็เลยหาวิธีง่ายๆขวดน้ำขวดเล็กๆขวดน้ำขวดเล็กๆแค่เนี้ยปิดขวาแวล้วใส่ย่มเป็นประจำแล้วเจอพระที่ไหนก็จะบอกอย่างเงีย ไปไหนอย่าลืมนะเอาน้ำขวดเล็กใส่ย้มะไว้แล้วอย่าฉันทีเยอะๆจิตทีละนิดทีละนิดยืดอายุไว้ <c oughs> <ง>ไอ้เรื่องราวอย่างนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้ยังไง mm. เพราะเราไปยึดเทคโนโลยีมากเกินไป <c oughs> พอเราไปยึดเทคโนโลยีจิตของเราก็ไปผูกเงื่อนอยู่กับสิ่งที่อยู่ข้างนอก ความเจริญเติบโตและความแปเปลี่ยนคําคำว่าพัฒนามันเลยพัฒนาแต่สิ่งข้างนอกความรู้สึกความสมาณาฉันความเอื้ออารีความเห็นหกเห็นใจซึ่งมันต้องอาศัยจิตใจของแต่ละคนเนี่ยมันหายไปมันหายไปหมดแต่ว่าหลังจากอาตมาเผยแพร่เรื่องนี้นะโอ้มีคนมาบอกเยอะแยะ บอกเนี่ยที่ดอนเมืองมีอยู่ร้านหนึ่งขอภาวนาไว้สำหรับพระบอกกู <c oughs> ไม่รู้นี่วันนั้นอ่ะ <c oughs> ตอนนี้รู้แล้วเดินก้าวไปได้ <c oughs> เออเพราะฉะนั้นพระพูทธเจ้าถึงบอกว่าเราจะพัฒนาอะไรก็ช่งางอภิธริากลยาเ น, นมันต้องขวนขวายเรื่องดีๆไว้ ต้องเร่งรีบทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีต้องทําก่อนปาปาจิตตังนิวารเยในขณะเดียวกันต้องหั ก, กําจัดละไอสิ่งที่ไม่ดีพร้อมๆกันสิ่งที่ดีๆก็รีบทําส่วนที่ไม่ดีก็รีบที่กําจัดอันนี้เป็นความรีบเร่งในการพัฒนาเพราะอะไรเพราะทันทงญญางอิคาราโตบุญยังเพราะถ้าเราชักช้าอยู่ไอที่ดีก็ไม่ทํา ส่วนอะไรที่ดีไอ้ที่ไม่ดีก็ไม่ละเนี่ยนะมัวชักช้าอยู่ผัดวันประกันพุ่งอยู่ปาปสัสามิงรามติมโนใจเราจับไปยินดีชอบใจในสิ่งที่ไม่ดีแทนมันไปยอมรับความไม่ดีว่าเป็นสิ่งดีมันไปยอมรับความที่ไม่ถูกต้องว่าถูกต้องหลายเรื่องหลายราวในยุคปัจจุบันที่เมื่อก่อนมันไม่ดีเลยมันไม่ถูกต้องเลยมันถูกยอมรับไปโดยปริยาย และไอ้สิ่งที่ดีที่เราเคยทํากันในปัจจุบันนั้นกลับถูกมองว่าเป็นการระเบิดอสิทธิ์เป็นการชนชั้นมั่งเป็นโน้นเป็น น, ôn, น, นี่เป็นอะไรก็ไม่รู้และเราไม่ค่อยยอมรับกฎระเบียบไม่ค่อยยอมรับไอ้สิลนี้ก็เป็นกฎระเบียบของความเป็นมนุษย์นะเราไม่ชัดเจนในกฎระเบียบที่มีอยู่เราพยายามที่จะเสนอที่จะทําในสิ่งที่ออกนอกกรอบ โดยที่ตัวเองไม่เคยชัดเจนในกรอบที่ตนอยู่เดี๋ยวก็สเสด็จอย่างนั้นดูสังเกตเวลาก็ประชุมทีไงกฎหมายเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆกฎ ร, ระเบียบพระราชาบัญญัติพระราชากําหนดที่ก็มีอยู่ะไม่ปฏิบัติให้มันชัดเจนพอประชุมทีมันจ ะ, สะเสดอแต่ให้ทําอย่างนั้นเสดอแต่ให้ทําอย่างนี้แต่ที่มีอยู่ไม่ชัดเจนนั่นของพระพุทธเจ้าเนี่ยชัดเจนพระพุทธเจ้าบัญญัติชัดเจนไม่มีการแก้ไข ห้ามมีการแก้ไขแล้วก็ไม่มีใครกล้าแก้ไขแม้ทรงอนุญาตไว้ว่าแก้ไขได้อะไรที่มันไม่เหมาะกับกาลเทศิไม่เหมาะกับยุคสมัยไม่เหมาะกับสถานที่เนี่ยตัดได้แก้ไขได้แต่ไม่มีใครกล้าแก้ไขมีหมาหยา น, นแก้ไ อ, อม๋มันมันไ ม, ไม่เหมือนกันคนละคนคนนิกายกันของพระเจ้าที่เขาไม่แก้ไขเพราะอะไรเพราะพระเจ้าให้ทรงปาทิโบบังคับไว้ในกฎนี้แต่ถ้ากฎนี้ถูกละเบิดออกไปเมื่อใด เมื่อนั้นก็แก้ไขหมดอ่ะทําไมเราถึงบอกว่าเวลาสวดให้สวดเป็นภาษาบาลีหลายคนบอกอ๊ยทําไมไม่ไปสวดเป็นภาษาไทยสวดบาลีเด็ควังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่อ ง, ง, ม, องมึงจะฟังไปให้รู้เรื่องมันนั่งอย่างนี้รู้เรื่องไหมเออแต่เวลาสวดเวละครับให้เป็นภาษาบาลีเพราะว่าภาษาบาลีมันจะคงรักษา รักษาอยู่อย่างนั้นนี่อย่างเช่นนาโมตัตตาพระกวาตัวระหตสัมมาสัพพุตตตาที่เราสวดกันนะี่ยเราสวดนาโมโอ้ผมควังไม่รู้เรื่องทำไมไม่สวดเป็นภาษาไทยอข้าพเจ้าขอนอภน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แต่รู้ดีชอบพระองค์นั้นเพราะถ้าเราเอาแต่ภาษาไทยอย่างนี้อีกหน่อยมันก็จะเป็นอะไรมันก็จะยาวตรงไหนขี้เกียจมันก็จะสั้นให่นไหม แต่ถ้าเรานาโมตตะพระกวาตราชตั ว, ตวสัมมาสัมพุทธะอีกกี่หมื่นปีกี่หมื่นปีถ้ายังสวดอยู่มันก็เป็นอย่างเงี้ยดังนั้นพระวินัยของพระพระพุทธเจา้าให้ทรงปฏิบกบังคับเลยทุกรูปต้องลงปฏิโบกทุ ก, ก ค, ค, รครึ่งเดือนคือเดือนหนึ่งสองครั้งครึ่งเดือนหนึ่งหนึ่งครั้งต้อ ง, ต, องต้องทรงปฏิโบกถ้าไม่ลงปรับอาบัตมีความผิดมันก็เลยมีพระท่องปฏิโบอกอยู่ ไอ้การที่พระท่องปฏิบูรอยู่ทรงปฏิบูรณอยู่เนี่ยมันทำให้วินยของพระเนี่ยแม้ว่าบัดนี้ถูกถูกนำมาเป็นช่องว่างในการโจมตีพระเยอะอยะไกแต่มันยังเท่าเดิมมันยังเท่าเดิมเวลามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเขาก็ออกเป็นกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เป็นกฎกระทรวงเป็นมติมาธีรสมาคมทั้งหมดเลยแต่ทั้งหมดนี้ต้องไม่ขัดกับพระธรรมวินัยอันพระเนี่ยหนักว่ายโยมโยมอยู่ภายใต้อะไรอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเดียวกระจอก <c oughs> เออพระต้องห้า นอกจากกฎหมายแล้วต้องมีต้องดึงต้องพระธรรมวินัยกฎหมายจารีตของคณะประเพณีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชมติหมหาธิราสมาคมแล้วก็กฎกระทรวงอะไรก็รวมอยู่ในกฎหมายนะมีกฎกระทรวงมีอู้ต่างๆเยอะแยะพระและที่สําคัญพระองคต้องอยู่ใต้การจ้องจับผิดของชาวบ้านด้วย อ้ายอมกระจอกไหมแค่กฎหมายเนี่ย เ, เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องหาจุดที่เริ่มต้นในคําสอนของพระพุทธเจ้านะทั้งส่วนที่จะเป็นคนดีสักคนหนึ่งหรือการปฏิบัติธรรมสักคนหนึ่งส่วนที่เป็นคนดีง่ายๆถ้าเราเป็นพ่อแม่เราจะให้ลูกเราดีเราจะต้องศึกษาเรื่องศีลให้ทะลุ และเราจะเริ่มต้นในการสมาทานศีลให้เป็นและรักษาศีลตัวเองให้ถูกและรุงเราจึงจะไปนําสิ่งดีๆให้กับลูกของเราได้แต่ถ้าเราอยู่กับความทุศีลอยู่ตลอดเวลาแล้วเราพยายามที่จะไปสอนลูกเราให้มันได้ดีมันไม่ได้ยากยากมากนี่ดูที่มาที่นี่เนี่ยเพราะว่าอะไรเรียลแรงที่จะยกมีดยกขวานไม่ไหวแล้ว เนี่ย ด, ด, ดีขวดเหล้าก็จับไม่ได้แล้วหมอห้ามเนี้ยจะไปขโมยอะไรของใครก็มันมันไม่มีกำลังพอที่จะไปทำทุจริตอะไรแล้วนี่น ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดูดูนีมามั่งเนี่ยพวกนี้เอาถูกใส่มาถูกบังคับม า, บาเปเอ <laughs> เพราะฉะนั้นมันจะต้อง นี่ในแง่ของคนดีนะแต่ในแง่ของผู้ปฏิบัติเราก็ต้องเริ่มต้นที่ศีลเลเพราะใจของเราเนี่ยกิเลสที่ยึดครองใจของเรามันมีอยู่สามชั้นส่วนหยาบกลางละเอียดหยาบก็คืออะไรก็คืออภิชาความโลภความโกรธความหลงที่มันมันผิดปกติ แกยาบจริงๆคืออภิชาโทมานั์ล้นออกมาล้นออกมาจากความโลภความโกรธปกติไออภิชานี่ยที่ว่าเพ่งมแบบไหนหรือเปล่อาอภิชาที่แปลว่าเพ่งมาจากความโลภเป็นแบบไหนหวยสามสิบล้านคืออภิชาแท้ๆเลยมาจากอาภิชาปะ่ะเข้าใจอภิชาไหมความโลภมีไหม มีเอ่อตอบอาหารหน่อยมีไหมมีไหมความโกรธมีไหมความหลงมีไหมปกติเด็กเด็กไอเดีก็เรียกว่าปกติโลภโกรธหลงของผูุ้ชนี่ปกติแต่สิ่งที่ห้อกออกมาจากความโลภเขาเรียกว่าเพ่งรู้จักคาว่าเพ่งว่าอดไเนี่ยเลงความเพ่งเลงที่มันอยากได้แล้วเพ่งเลง คนนี้ถูกยสามสิบล้านนะอยากได้ด้วยปกติไหมปกติแต่เพ่งอยากมากจนขนาดหาวิธีเนี่ยเพ่งและเล็งแล้วมันก็เลยเป็นวิธีการที่จะต้องทําให้ได้มาเนี่ยเรียอภิชาวิสมาโลภะความโลภที่ไม่ปกติคือความเพ่งเล็งตัวนี้เกิดขึ้นมาเมื่อใดเมื่อนั้นมันจะเป็นออกมาในทางทุศิลปทันทีเลย เราเดินไปโรงเรียนเราเข้าไปทํางานที่ออฟฟิศใครทำงานออฟฟิศนะเดินปกติทั้งค่ะไปเห็นเห็นอะไรของอะไรของอื่นเนี่ยเห็นของเขากะเป๋าเขาก็าวกสวยชุดเขาก็สว ย, อยชอบอยากปกติแต่พอไปเห็นแล้วมันเกิดการเล็งขึ้นมานี่เมือ่อใดนะอยากได้เป็นพิศเศษหอกออกมาจากความอยากได้แบบปกติมันเล็งขึ้นมาเมือนะเม่อใดนะเมื่อนั้นนะ่ะมันไม่ไปค้ามวยใบนั้น มันก็จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปหาเงินให้ได้มาเพื่อซื้อใบนั้นถ้ามันไปกู้หนี้ยืมศินของใครไม่ได้มันก็จะต้องไปหลอกพ่อหลอกแม่หลอกใครก็ได้เพื่อให้ได้เงินมาเพื่อเอาให้ได้ใบนั้นนี่นี่เรียกว่าความเพ่งหอกออกมาจากความโลภไอ้ความเพ่งพวกนี้แหละต้องยุติมันด้วยอํานาจของศินความหยาบ กิเลสชั้นที่สองเขาเรียกว่าชั้นกลางคืออะไรคนปฏิบัติไม่รู้อ่ะรู้ไหมกิดเลส ช, ชั้นกลางคืออะไร mm hmm. เออใครตอบเนี่ยไม่มีของมีของอย่าให้รางวัล <laughs> รู้ว่าหลายคนรู้แต่คนที่กล้าตอบมันต้องควรจะได้รางวัล mm hmm. เพราะว่ามันจะทำให้เรื่องเดินง่ายไงเวลาพูดอ่ะมีคนตอบด้วยอย่เเรียกว่าร่วมมือกิดเลสชั้นกลางคือนิวรห้า แต่คำว่านิวรณ์ไม่ใช่เฉพาะนิวรณ์หอย่างเดียวเยอะนิวรณ์เนี่ยเดี๋ยววันหลังก็พูดได้ฝักกิเลสชั้นกลางคือนิวรณ์หมีหนึ่งการม่ฉันทะสองพยาบาทสามถีนมิตระี่อุต จ, จักรภูจาห้วิจิ ก, กิจจาหาประการนี้เป็นคุณสมบัติข้างไม่ดีชั้นกลางอยู่ที่ใจของพวกเรามันจะเกิดขึ้นและทําให้ใจเราเกิดความกลุ่มรุมจิตทําจิตใจของเราให้เศร้าหมองเราก็ต้อง ปราบเขานี่ในทางปฏิบัติการทาสมาธิทั้งหมดจุดแรกก็คือการปราบนิวรณ์ถ้าปราบได้ที่นิวรณ์ยังอยู่อย่ามาพูดว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีจิตตั้งมั่นไม่ได้กิเลสชั้นละเอียดลึกลงไปอีกก็คือตัวที่ทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิเราเรียกว่าอนุสัยบ้างนอนเนื่องอยู่กังสนดาน อยู่คนเมือง้าเปียบเป็นใจเราเหมือนโอ่งใบหนึ่งที่ใส่น้ำน้ำที่เราไม่สามารถตักกินได้เลยเนี่ยกินแล้วเป็นโทษทันทีก็คือน้ำที่มันมีตะกอนลอยอยู่ชั้นบนถูกปะ่ะทีนี้นถ้าพอข้างบนมันไม่มีตะกอนตักกินดื่มได้แต่ถ้าล้วงลึกลงไปกลางกลางโอ่งเริ่มอันตรายใช่ไหมอืม ถ้ากลางกลางองค์ไม่มีลูกลูก้นองค์มีไหมมีเพราะฉั้นไอ้ศพกระปรกหรือตะกรนที่ลอยอยู่ที่ปากองค์กลางองค์และก้นองค์เหมือนกับความร้ายของใจที่ถูกเจือปนด้วยอาสวะเหล่านี้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดอย่างนี้เะั้นเราจึงต้องเริ่มต้นที่ไหนอ่ะเราต้องเริ่มต้นที่ศีลเพราะศีลมันกําจัดส่วนส่วนหยาบนี้ มันประเทศไทยตอนนี้เราไม่ต้องทําอะไรมากหรอกหลนงรงให้คนหันมาเห็นค่าและความสําคัญของศีลแล้วก็ถือศีลเั็นอย่างเปิดเผยอาจหารที่จะบอกกับใครต่อใครว่าเราถือศีลอันนี้ไปวัดหมอดูดูว่าดวงไม่ดีไม่รู้จะทํำยังไงแล้วต้องไปถือศีลพอถือศีลบอกว่าพระบอกว่าต้องรักษาศีลให้ได้นะวันเนี้ยศีหนา้า ไม่งั้นเคราะจะร้ายพอดีตกเย็นไปถึงเพื่อนก็ชวนกันไปดื่มกันกินกั น, กนทุกวันเข้าไปถึงนั่งกินก็รินเหล้าให้น่ะจับแก้วเหล้าจะกินไม่กล้ากินเพราะผิดศีลพอเพื่อนถามเอา้าไม่กินนะหมอห้าม <laughs> มันยอมผิดศีลข้อที่เท่าไหร่ <laughs> ผิดศีลข้อที่ 4, <laughs> สี่เพื่อรักษาศีลข้อที่ห้ามันขาดอะไร <laughs> มันขาดความ อาหารมันอายอะไรกับการที่บอกให้ไม่ได้ไม่ได้ไไดวันนี้ฉันถือศีนกินไม่ได้มันน่าอายมากถึงขนาดที่จะต้องยอมผิดศีนข้อที่สี่เพื่อรักษาศีลข้อที่อนี่เขาเรียกว่าขาดความอาจาหารมันเราจะต้องรณรงค์ความเข้าใจและความคิดของคนเนี่ยให้เห็นศีนเนี่ยเป็นความสำคัญมีคุณค่าถ้าวันไหนรู้สึกว่าตัวเองได้ถือศีนบอกให้คน ไอ้คนอื่นรู้ว่าวันนี้เราถือสินย่างสินแปดยังดีนะพอถือสินแปดไม่ต้องบอกกับใส่ชุดขาวมารู้เลยเออไม่ต้องบอกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยใส่ชุดขาวมานี่รู้เลยเยสินแปดให้มันเกิดความอาดหารเขาเรียกว่าแกล้กลากับการที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเราถือสีนอันนี้ไม่กล้าไม่กล้าพอที่จะให้เขารู้ว่าตัวเองถือสินนี่แอบมาเปล่าเนี่ยแอบมาเปล่า ไม่กล้ากล้าบอกเกือบทุกคนยังมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจในเรื่องของศีลและเราจะมีท่าทีในทางการปฏิบัติที่ถูกต้องถูกต้องถ้าศีลไม่บริสุทธิ์หรือทุศีลอยู่จะไม่มีวันที่จะเจริญด้านการภาวนาได้จำไว้ เพราะเมื่อจิตเริ่มเข้าใกล้ของความเป็นสมาธิแค่เฉียดๆ้าไปเท่านั้นมันจะผุดๆๆๆๆๆแล้วมันจะเกิดความร้อนใจจะเกิดความร้อนใจแต่ถ้าเมื่อศีลบริสุทธิ์พอศีลบริสุทธิ์เนี่ยปฏิบัติไปเวลาจิตมัในใกล้รวมเข้าเป็นสมาธิมันจะรู้สึกมันจะรู้สึกความบริสุทธิ์สัมผัสกับจิตตัวเองโดยตรง อนพระพิจารณ์จึงให้ความหมายมว่าคำว่าศีลคือการทำกายวาจาให้บริสุทธิ์ เ, เรื่องศีก็พอประมาณนั้นนะตอนนี้มันเป็นเทศกาลที่จะถึงนี่ก็คืออะไรสงการจะข้ามไปก็จะใช่ที่นะ ปีนี้นางสงการชื่ออะไรนี่ไงเราก็ <laughs> ก็เป็นเช่อย่างนี้เนี่ย <laughs> ถามรุ่นนี้ต่อไม่ได้แล้วจะไปถามรุ่นไหน <laughs> อ่ะอ้าวนางสงการปีนี้ชื่ออะไรฮะ <laughs> เราอย่าเอาแต่ปฏิบัติไม่ลืมหูลูนตาสิ <laughs> อะ <laughs> ยังไม่ได้อ่านเหรอ <laughs> <laughs> นางอะไร <laughs> มโห มโหธรทรงเผา ร, รัทัดดอกอะไรทัดดอกสามหาวสามหาวคืออะไรฮะใช่สามหาวคือผักตบยืนมาบนหลังเออเนี่ยได้ทั้งนั้นแต่ไม่กล้าตอกัวผิด ดินบนหลังนกอยู่เรื่องของสงกรานเนี่ยเป็นเรื่องของคุณค่าของความเป็นไทยเรานะแล้วก็เราพยายามที่จะทำให้มันเหลือแค่ประเพณีสักดแต่ว่าทำเราเราไม่เข้าใจความหมายเขาเรื่องของสงกรานนี่เป็นเรื่องของอะไรเรื่องของ กตัญูไ อ, สจจอ้สัจจะกตัญูเบตาวะกตัญสัจจะกตัญยูเบตาวาจาสัตเป็นเรื่องของคุณธรรมในชีวิตประจาวันลว้วนๆเลยกตัญยูเบตาวาจาสัตวาจาสัตสัจจะนี่เห็นจากไหนในตมนานนันทกรเห็นจากใครเท้ากบิลลพรมวาจาสัต ตะตันยูเห็นจากไหนนางสงกรานเบตาเห็นอย่างไหอะก็เยอะแล้วก็เป็นประเพณีที่ทำให้ผู้คนในสังคมนี้ได้มีโอกาสแสดงน้ำใจแท้ต่อกัน คือการให้พอรอวยพรรดน้าแล้วเป็นโอกาสเป็น่วงเวลาที่จะให้คนมีความอภัยต่อกันอภัยนี่คือล้างความขัดแย้งนะคำว่าอภัยเนี่ยมันล้างความขัดแยง้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีหรอกมันมันพัฒนามาเป็นปืนฉีดมันยิ่งเพิ่มความขัดแยง้งใช่ จากน้ำอบไทยไปพรมที่มือไปพรมที่นั่นนี่นั่นมันกลายเป็นอะไรดินสอพองผสมก็เป็นถังส่กะละมังสส่นั่นเขยกระบะสาดไถกันมันมันกลายเป็นไม่ใช่มันไม่สามารถรักษาของเดิมไม่ได้มันก็กลายมาเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเทศกาลสงกรานต์ครั้งหนึ่งมันจึงมียอดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นแทนที่ว่าโอ้สงกรานตีนะ แทนที่จะมันจะมีสติสติอะไรดีๆขึ้นมาเช่นว่าอุบัติเหตุก็ต้องลดน้อยถอยลงไปคนก็มีความระ ม, มัดระวังในการใช้ชีวิตไปมาหาสู่มีการพูดจาเคารพให้เกียดชึ่นกันและกันเป็นวันที่คนจะไม่พยายามไปขัดใจใครไม่พยายามที่จะไปผูกเวรกับใครเป็นวันที่คนจะต้องอาภัยให้กันและกันไม่กลับกลายเป็นเพิ่มวันขัดแยง้งเพราะว่าเราไม่สามารถรักษาวันเพนีอย่างเดิมไม่ได้นั่นะ ทีนี้ตรงกับวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าใช่ไหมสิบสามเป็นวัน <c oughs> มหารงกรารเนี่ยมันมีวันมหาสงกรารวันเนาวันทะเหลิมศก <c oughs> เคยได้ยินไหมเนะี่ย ตานานนางสงกานมีครั้งที่จะรึกุวิญญาณโพที่ว่าเศรษฐีอยากมีบุตรแต่ไม่ได้เข้าไปขอกับพระไยก็ได้บุตรมาชื่อว่าฮะชื่ออะไรเออขนาดนี้รุ่นนี้ยังไม่ได้แล้วลูกหลานมจะได้อย่างไงชื่อว่า ธรรมบานกุมารเด็กฉลาดฉลาดมากสามารถเรียนรู้ภาษาศาสต์เข้าใจภาษานกเงีย้ยแล็ฉลาดจบใจเพศบอกเวลาคนจะมีงานมงคลมีอะไรที่ไหนที่ไหนต้องไปถามธรรมบานกุมานนี่แหละว่าวันจะขึ้นบ้านใหม่วันไหนดี เนี่ยอ๋อวันนั้นนะเรียกว่าบอกการวงคลให้ใครๆได้ใครมีปัญหาไปถามธรรมบาลกุมารตอบได้หมดแต่ก่อนนั้นคนนับถือมหาพรหมไงบวงสรวงมหาพรหมนับถือมหาพรหมพอธรรมบาลกุมาร น, นี่มีชื่อเสียงขึ้นมาใครๆก็เข้าไปหาธรรมบาลกุมารกันหมดก็ถ้ากับิลลพรหมเกศก็เลยเกิดความอิจฉาเนี่ยแรกๆอิจฉาเฉยมันไม่ได้บานปลายขึ้นมา อิฉาที่ผู้ใหญ่อิจฉาเด็กเล็กก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องแพ้ไม่เผื่อเปอร์เซนต์ความพ่ายแพ้เด็กไว้แม้เด็น้อยเดียวมีความมั่นใจในความช น, นะเต็มร้อยพอถึงรู้ว่าธรรมบานกุมารคนก็รู้ว่าธรรมบานกุมารเก่งนักหนาก็ลงมาท้ากันเพราะว่าถ้าเราข้าพเจ้าถามปัญหาเจ้าเนี่ยถ้าเจ้าตอบได้เอาศีรษะไปเลยนี่พูดอย่างนี้เพราะ มั่นใจในความชนะไม่มีความเพลินไม่รู้สึกว่าแพแต่ธรรมบาลกุมานก็รับคำท้ารับคำท้าเสร็จตัวเงก็ตอบปัญหาไม่ได้ก็คิดครบเจ็ดวันแล้วจะต้องตายแน่แล้วก็เดินไปนั่งอยู่ใต้ต้นตาลบนต้นไม้มีนกอินสีสองตัวผัวเมียคุยกันอยู่ไอ้ตัวเมียก็ถามว่าพี่แล้วพวกนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหนเ่รไม่ต้องไม่ต้องพวกนี้เราอยู่นี่เดี๋ยวก็ได้กินนะ ก็ออกินอะไรแ ก, กินหัวเนี่ยหัวน้องอินทรีน้องอินทรีอย่ามาสงสัยนะว่าทําไมนกพูดได้เดี๋ยวเรื่องมันเดินต่อไม่ได้นก อ, อินทรีเนี่ยนกอววเนี่ยไอ้น้องก็ถามเอ้าหัวทําไมอ่ะก็กกทากันกับข้ากัะ บ, บ, บ, บ, บี่ละพรมทากันเรื่องอะไรเหรอพี่อพอดีนก อ, อินทรีตัวเมียมันช่างซัดช่างซัดสามีก็ตอบไปก็ล่ะ น้องกินสีตัวสามีก็บว่าท้ากันไงถามปัญหากันว่าาเช้าราศีอยู่ไหนเที่ยงราศีอยู่ที่ไหนเย็นราศีอยู่ที่ไหนให้ธรรมกุมบาลให้ธรรมมาลกุมบาลตอบถ้าถ้าทำกุมบาลกุมบาลตอบได้มหาพรหมจะให้ศีรษะเลยตัดศีรษะตัวเองแต่ถ้าธรรมบาลกุมาลตอบไม่ได้ธรรมบาลก็ต้องถูกกรากับบิดาพรหมตัดศีรษะ และเราและไอ้ธรรมบาลกูบานตอบไม่ได้หรอกเราก็จะได้กินศีราะของธรรมบาลไอ้ mm hmm. ทีนี้ตัวเมียเขช่างซัดอีกเอา้าแล้วคำถามอย่างนี้มันตอบว่ายังไงเออพี่นกอินทรีตอบได้นกอินทรีบอกโอ้เอช้าราศีอยู่ที่ mm hmm. หน้าคนตื่นเช้ามาจึงล้างหน้ากันเ mm hmm. ที่ยงราศีอยู่ที่ อกพอถึงยามเที่ยงคนจึงเอาน้ำมาพรม อ, อกกันมันจะได้สบายสบายเย็นราศีอยู่ที่เท้าพอตกเย็นก่อนเข้าบ้านคนจึงนิยมล้างเท้ากันนกอินทรีโอ้ยไม่ยากนี่ตัวเมียบอกโอ้มันง่ายเนี่ยแต่ธรรมบ้านกุมามันนั่งอยู่ที่ใต้ต้นต้นตาลมันก็จำได้เนี่ยโอ้โหยิ่งไปได้จรวจสกัดเ <laughs> ช้าขึ้นมา ก บ, บิลพรมมาถามธรมบาลกุมาต์ตอบปัญหาได้ก บ, บิลพรมก็ต้องตัดศีรษะตัวเองนี่ถามว่าไม่ตัดได้ไหมได้โธ่ทำไมจะไม่ได้ก บ, บิลพรมรีดมากแกตายแต่สัจยานั้นเป็นเหมือนกระดูกของร่างกายเสียชีพยาสียสรษะนั้น ถ้าเป็นเรายอมไหมยอมป่ะไม่ยอมหรอกหลบไปถ้พักก็พน้นใช่ <c ười> กบิลลพมไม่ได้มันต้องตัดศีษาแตกศีษะของกบิลละพมเป็นเรื่องใหญ่มากเนี่ยความเมตตาของกบิลละพมเพราะศีรษาของกบิลละพมเนี่ยถ้าลอยอยู่กลางอากาศจะทําให้ฝนแรงไม่ตกคนจะเดือดร้อนร่วงลงพื้นควยจะไหม้โลก ตกลงในน้ำมหาสมุทรจะแห้งหมดเอาสิทำไงอ่ะทีนี้นี่คือความเมตตาการที่รักษาจะตัดศรีรษนตัวเองนี่เป็นสัจจะแต่การคิดที่จะตัดศรีรษาตัวเองแล้วให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนี่เป็นความเมตตาเขาเรียกว่าเมตตากาตันยูวาจาสัตว์ของสงครามเนี่ยกบิระพมก็เลยเรียกลูกสาวทั้ง7็ดมาลูกสาวทั้งเจตอนนั้นก็ มาเป็นบัตรจริกาของพระอินทร์ก็เรียกทิดาทั้งเจ็ดมามีใครม้่งอะมีทุงสะเทวีอะไรเนี่ยโกรากัเทวีรากสะกเทวีกิมิทาเทวีอะไรกันกิรินีเทวีอะไรว่าเจ็ดคนเนี่ยคนสุดท้ายมโหทรเทวีเนี่ยให้คนหัวปี พาเดินรอบเขาสุเบนหกสิบนาทีแล้วสามร้อยหกสิบห้าวันก็มาเอาออกมาทีหนึ่งเนี้ยครบปีเนี้ยให้ทีดาทั้งเจ็ดเอาพานมาตัดศรีรษะเสร็จแล้ววางบนพานแล้วก็เก็บไว้ในถ้ำที่เขาสินเนนพอครบหนึ่งปี ก็ให้ลูกทั้งเจ็ดเนี่ยผลัดกันเชิญศีรษะออกมาแล้วก็เดินเริ่มรอบของพระสุมเมนหนึ่งรอบหนึ่งรอบนี้คือหกสิบนาทีสามรอยหกสิบ้าวันก็เชิญออกมาทีนึงเนี่ยลูกสาวทั้งเจ็ดก็ผลัดเปลี่ยนเบียนกันมาทําอย่างนี้นี่เป็นตํานานของวงการนะเป็นเรื่องราวของความกระตันยูวา่าจะแล้วคนบ่อ ถ, ถุงสงกรานเสร็จแล้วเขาก็นิยมทําอะไรกัน คนด้วยตัวไปก็รดน้ำขอพรมั้กันแต่สิ่งหนึ่งที่คนนิยมทำกันคือทำบุญอุทิศให้กับบรรพบรุษเพราะเราจะไปบางคนปู่ย่าตายายเราไม่อยู่แล้วพ่อแม่เราไม่อยู่แล้วเราก็จะทำบุญอุทิศให้ท่านวันนี้เป็นวันกตันยูที่เราจะระลึกนึกถึงผู้มีกาตัญญูกับผู้มีบุปการีของเรางนั้นคนจึงทาบุญกันในช่วงสงการานต์ แล้วก็เป็นเรื่องแปลกประเพณีต่างๆใกล้เคียงกันในห่วงของเวลาของจีนทำอะไรเอ่อชิงเมิงเชื่อกันว่าเป็นว่วงเวลาที่เออมิติมันใกล้กันเะยหลายๆที่หลายๆประเทศหลายๆละทิก็นิยมทำกันในว่วงเวลาใกล้ใกล้เคียงกัน แต่ เ, เราก็ได้ทำกันไหมฮะตำบลอะตำบลอุติตบุปการีเออต้องทำทำไมต้องทำอ่ะฮะพระพิจารณาหิตัสสกะิอัติโครักเคธะยัมมามเสีเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านที่ละโลกนี้ไปแล้วเราไปอยู่โน่นอะที่โน่นนะหนาหิตัสะกสิอัติ ไม่มีกสิกรรมไม่มีโครกกรรมไม่มีอาชีพไม่มีการทำนาไม่มีการเลี้ยงสัตว์ไม่มีเกษตรไม่มีการทำการค้าไม่มีเซเว่นไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างแต่เขาอยู่ได้ด้วยบุญสองอย่างบุญอย่างที่หนึ่งก็คือบุญที่เป็นต้นทุนคือตีที่ตัวเขาทำไว้เองเนี่ยตอนที่ก่อนที่จะตายไปเนี่ย บุญที่เขาทำมาเองนั่นและก็บุญที่เป็นต้นทุนบุญประการที่สองก็คือบุญที่เป็นสมทบทุนจากไหนอ่ะจากพวกลูกหลานนี่แหละที่ทำให้ยาตญาติที่ทำให้นี่เ็เรียกว่าบุญสมทบทุนสองอย่างนี้คือปัจจัยสาคัญที่ทำให้ ผู้มีอุปการะคุณผู้บุปการีของเราเขาอยู่กันได้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงยามนี้เราก็ระลึกถึงผู้มีอุปการะคุณของเราตามวัดวาต่างๆเนี่ยที่เอากระดูกอะไรต่างๆไปแปะไปตรงกําแพงหมาก็ฉี่ไทยอยู่นั่นนหะถึงวันนี้ก็ได้ชำระชำระล้างกันทีหนึ่งแต่บางที่ก็โอ้โหเอาเอาเบญจรงอย่างดีใส่กระดูก แล้วไปขวางไว้ในกําแพงเคียามาถึงมันแคะหมดเอากระดูกสาท์ทิ้งแล้วมันก็เอาเบญจลงไปขายหลายตระกูล น, น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ที่วัดยังไม่มีนะเพราะที่วัดเป็นคอนโดหรูเจ้าสูงคือไปนะจ๊ะเห็นยังคอนโดที่วัดอ่ะใครที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดวันก่อนมีไหมเห็นยังคอนโดอ่ะตรงวิหารคตที่เป็นชุ้มนั่นน่ะ เรียกว่าคนดูไม่รับโดยทั่วไปอย่ามาฝากนะไม่เต็มแล้วก็ถึงวันนี้เขาก็จะมีการมาทำบุญอุทิศให้กับบุปการีกันเขาเรียกว่าการันตเนี่ยเ <c oughs> วันเรื่องดีๆของบ้านเราคือตำนานสงกราม น, นี่มันควรที่จะรักษากันไว้แต่เราก็รักษาไว้ไม่ได้ พอถึงสงกรารเราคิดแต่เรื่องอะไรสีลมข้าวสาลใช่ปะฮะคิดถึงกันเนี้ยสีลมข้าวสาลเอ่ออะไรอะไรเนี้ยแล้วพอถึงสงกราร <ś c oughs> พ่อแม่ก็เป็นห่วงว่าจะห้ามไม่ให้ลูกไปได้ยังไงห้ามได้ไหมห้ามไม่ค่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องศีลจึงเป็นเรื่องหลัก ที่จะนามาพูดกันพวกเราในวันนี้ว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นของความดีทั้งหมดแหละเราจะเป็นคนหัวใหม่หัวเก่าสมัยให ม, สม่สมัยเก่าก็ช่างแต่เราจะต้องทําความเข้าใจเรื่องสีให้เป็นแล้วก็ให้เห็นว่าเขาคือสีนั้นคือมนุษยยธรรมไม่รู้แหละหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกว่าตัวเองเป็นมนุษย์เมื่อไหรเมื่อนั้นจะต้องมีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์อย่างนี้ถ้าไม่มีเดือดร้อนแน่ถ้าไม่มีเดือดร้อนแน่ ศีล น, นอกจากป้องกันไม่ให้เราชั่วร้ายแล้วศีลยังเป็นตัวเป็นกรอบที่จะกันความชั่วเข้ามาสู่เราเขาจึงเรียกว่าศีลเป็นเสื้อเกราะเป็นเกราะให้กับเราความชั่วที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยศีลกันไว้ได้เช่นเราเดินทางไปเนี่ยเราเดินทางไปปั๊บไปเจอเงินมาไอ้ไอ้เจอถุงมาสัก ถุงปฏิกถุงหนึ่งเนี้ยมีเงินอยู่ในนั้นเราเราเจอว่าเราทําไงฮะทำไงเจอเงินมาถุงหนึ่งเปิดดูแบงค์พันเป็นปึกๆเลยไม่นับแล้วเพราะอะไรแต่ประมาณในใจว่าสักสี่ห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งเนี้ยทําทำไงฮะอันนี้พูดตอนที่ยังไม่เจอสิ อยากรู้ว่าอารมณ์ตอนนั้นเป็นยังไงเนี่ฮะไม่เอาเหรอฮ ะ, อะเสร็จแล้วพอเจอปับ๊บรู้ว่าเราเอะเราจะเอาดีไม่เอาดีทำยังไงกับเงินนี้อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวชีวิตเราที่เคลื่อนไหวอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะกระทบอะไรก็ได้ ด้วยสภาพจิตใจเราที่ไม่มีศีลแล้วเนี่ยหรือเราไม่ได้มีพื้นฐานทางจิตใจพอทังควรสิ่งที่กระทบต่อเรานั้นมันจะก่อให้เกิดนี่แหละการไม่ฉันทะปฏิฆะอุทะจักกูตจักเกิดนอกจากว่าเราไปเจอเงินเนี่ยถ้าเราเดินไปล้วได้ยินเสียงคนนินทาเราทำไมมีโอกาสเจอไหมมีโอกาสเจอ มีนักศึกษาที่มอกเกษตรคนหนึ่งที่เธอเดินเดินเดแล้วมีคนเอาไม้มาตีหลังะเอาเหล็กตีหลังอ่ะพอเกิดขึ้นคนนั้นเราเราก็ว่าคนนั้นรวยแต่มันสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ไหมได้ทุกอย่างที่เราเคลื่อนไหวอยู่ในโลกใบนี้มันสามารถเกิดขึ้นกับเราได้แต่ถ้าเรามีสัจจะในศีลของเราเราจะมีความพร้อมสําหรับการที่จะใช้ชีวิตเคลื่อนไหวอยู่บนโลกเนี้ยแปดสิบอร์เซนตถ้าเรามีครบบริบูรณ์เลยความเป็นมนุษย์ของเราร้อยเปอร์เซตเต็มเนี่ย เราจะอยู่ในโลกนี้ง่ายง่ายตรงไหนไม่ต้องไปเกรงกฎหมายไม่ต้องไปกลัวตำรวจไม่ต้องไปเกรงกฎระเบียบอะไรต่างๆมันไม่มีอะไรที่จะมาทำร้ายเราได้เขาเรียกว่าเป็นเกราะให้ไงให้สำหรับเราที่จะอยู่แล้วก็ดีต่อไปเรื่อยๆืยเมื่อศีล น, นี้ตั้งขึ้นอย่างบริบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าสีลังสมดัชค่าตังสมาธิสมดัชค่าโตปัญญาสมดัค่าตาวัดศีล ที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ดีแล้วสมาธิที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ดีแล้วปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ดีแล้วเนี่ยตถาสิลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโสสมาธิที่มีศีลอบรมดีแล้วสมาธินั้นจะมีผลมาก สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาลาโหติมหานิสงสาปัญญาที่มีสมาธิอบรมดีแล้วปัญญานั้นก็จะมีผลมากต้องสังเกตแล้วมีครูบาอาจารย์มาพูดว่าถ้าไม่มีศีลภาวนาไม่ขึ้นเคยได้ยินใช่ไหมนี่แหละเพราะอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่เราต้นไม้ต้นหนึ่งที่เปลือกเน่าเน่ามันหุ้มอยู่ แล้วเราจะไม่ถากเลือกนี้ออกแล้วจะไปรักษาแกนมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะต้องถากมันออกถ้าเราไม่ถากมันออกเราไม่มีวันที่จะเข้าไปถึงข้างในได้อันนี้ฉันใดถ้าตราบใดที่ความรู้สึกหงาบความทุศีนยังปรากฏอยู่คุณค่าของใจของเราที่มีความผูกพันมีฉันทะต่อศีนแต่ละข้อแต่ละข้ อ, อการให้ความสำคัญ ต่อศีลแต่ละข้อแต่ละข้อมันไม่มีกําลังขึ้นที่ใจโอกาสที่เราจะทุ่ศีลจึงมีได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ลักข้ามวยไม่อะไรของใครแต่เราจะบอกว่าเราเป็นคนมีศีลไม่ได้นะมันศีลมันวัดกันตรงที่กระทบแล้วเราจะรู้เองว่ากําลังของการกระทบใดๆก็ตามไม่สามารถทําให้เราทุ่ศีลได้ตอนนั้นเราจะรู้ของเราเองถ้าเรามองแค่บริบทของการที่ไม่ฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้รักข้ามวยไม่ได้โกหก ว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์หปเราเป็นคนมีศีลที่บริสุทธิ์เรามองเพียงแค่นี้ไม่ได้เราจะต้องรู้ลงไปอีกชั้นหนึ่งในชั้นของความความใส่ใจในการไม่ฆ่าความใส่ใจในการไม่ประพฤติผิดต่างๆที่มันมีกำลังขึ้นเราจะรู้กับประจักษ์ใจของเราทีนี้ วิธีที่จะทดสอบว่าเราเป็นอย่างไรกับศีลแต่ละข้อกับศีลข้ อ, ขอที่หนึ่งเราต้องสังเกตดูว่าเรายังมีความหุดหิดเกิดขึ้นบ่อยไหมถ้าความหุดหงิดที่เกิดขึ้นบ่อยๆกับเราแม้กระทั่งความหุดหิดที่เกิดจากคนที่ได้ชื่อว่าเรารักเขาได้ชื่อว่าเขารักเรา ความหูดีที่เกิดขึ้นบ่อยๆอย่างนี้มันเป็นตัวบอกว่าโอกาสที่เราจะผิดศินได้ง่ายเนี่ยสินข้อที่หนึ่งสินข้อที่สองให้สังเกตความอยากของตนเองว่าเรามันมีความอยากมากเกินไปไหมสังเกตดูว่ากรอบชีวิตของเราเนี่ยไอความอยากของเราที่มันไร้สาระมันเยอะเกินไปหรือเปล่า ถ้ามันยังมีความอยากมากแล้วก็จิตที่จะริดรอนความอยากไม่เกิดขึ้นเลยไม่เคยรู้สึกว่าเรามีความผิดกับการที่จิตเรามันอยากเรื่องไร้สาระมากเกินไปไม่เคยเห็นโทษของความอยากเลยอำนาจของความริดรอนความอยากก็ไม่เกิดขึ้นที่จิตของเราเลยเนี่ยโอกาสที่เราจะทุ่มสินข้อที่สองก็มีขึ้นมีง่ายขึ้นศีลข้อที่สามให้สังเกต ตอนนี้ที่มันดังๆอะไรวะออดเจ้าอะไรนะนำมาก็ไม่รู้ตอนแรกก็พูดว่าอะไรกันออดเจ้าออดเจ้าคือถ้าเรายังรู้สึกเรามีความสุขสนุกมากกับการดูละครกับการติดตามแล้วเรื่องแปลกแต่จริงก็คือว่าเมื่อถึงวันนั้นมันฉายวันอะไรนะ <S <S <S วันพุธวันงฤหัดเนี่ย ระยะเวลาสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนีเงียบยิ่งแบบสมัยเขาสายต่อยอ <laughs> เอาเรื่องจริงนะถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังมีความสุขทวินหากับสิ่งเหล่านี้มากถึงขั้นขาดไม่ได้อะไรที่สำคัญเป็นนักเรียนเรานั่งอ่านหนังสืออยู่สำคัญมากพวงนี้จะสอบพอมันมาเสร็จต้องทิ้งไว้แต่ไปดูมันก่อนอย่างเงี้ยโอกาสอย่างนี้โอกาสา น, าสนี้เราจะทุ่มสินข้อที่สามง เพราะศีนข <Velvet> no er ้อที่สมันจะทุศีลได้ง่ายๆมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันผิดเลยนะมันจะค่อยๆก่อฉันทะแล้วค่อยๆก่อเป็นราคะแล้วค่อยก่อเป็นตัณหาจึงจะผิดได้ก่อฉันทะคือความสนิทสนมก่อนความสนิทสนมบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเคยชินเข้าเคยชินเข้าเคยชินเข้าเคยชินเข้ามันก็ก่อเป็นอันนั้นเรื่อยๆว่าฉันทะแล้วก็ก่อเป็นราคะมีความปรารถนาเกินกว่าความพอใจ พราราคามีบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าทีนี้มันก็เป็นตันหามันต้องเกิดการถวิล ห, หาเกิดการอะไรทะยานออกไปถึงตอนนั้นถึงตอนนั้นน่ะมันไม่ใส่ใจเรื่องอื่นแล้วคนถึงผิดกันได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นมันจะต้องตัดตั้งแต่ตอนไหนตัดตั้งแต่ตอนไหนวะฮะจะรักษาศีลก็ทีสามมันต้องตัดแต่ตอนไหนแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างงี้อีกพระพุทธเจ้านี่จ้าเก่งจริงๆเลยพระพุทธเจ้าบอกว่า ที่มันที่เหตุที่สุดของเขาเลยอ่ะก็คือสุพนิมิต ร, รู้จักไหมสาเหตุที่แท้จริงคือสุพนิมิตเพราะฉะนั้นจะต้องตัดสุพนิมิตด้วยวิธีการสร้างอะสุพนิมิตงงอะไรนะงงไหมสุพรณิมิตคืออะไร ก็คือไปดูว่ามันสวยไปดูว่ามันงามไปดูว่ามันหล่อไปดูว่ามันน่ารักไปดูว่ามันดูดีไปดูว่ามันสมาร์ทไปดูว่ามันองยังงันยางนันยังงันยังันถ้าอย่างนัง้นนะมันมันไปยาวแน่เลยให้มันปรุงต่อไปอะเพราะฉะั้นเราต้องเป็นอสุภณิมิตคือดูตามความเป็นจริงความเป็นจริงนั้นมันไม่สุภณิมิตเลยไอเราที่ว่า ที่ว่าเราไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจเนี่ยที่เราไปมองเนี่ยหนึงคนคนหนึ่งที่เราบอกโอ้มันสวยเหลือเกินหล่อเหลือเกินอย่างเงี้ยมีแฟนคลับเป็นสองล้านสามล้านอย่างเงี้ยแย่งกันอะไรกันด่ากันโทรกันเนี่ยแต่ละค่ายแต่ละค่ายนะเพราะอะไรเพราะเยะวาวาเหมือนกับรถไปมองที่องค์ทัพสมระที่มันประกอบกันนะถ้าไปมองความเป็นจริง สมมุติในคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องมีชื่อหรอกไม่ต้องไปสมมุติว่ามันชื่ออะไรพระพุทธเจ่าว่าให้มองความเป็นจริงคนนี้ประกอบขึ้นด้วยอะไรประกอบขึ้นด้วยธาตุนะประกอบขึ้นด้วยธาตุอะไรมัง่งธาตุดินธาตุน้ำธาตุาลมธาตุไฟในวิธีดูนะธาตุดินคืออะไรดินคือลักษณะแขล็ดแข็งมีอะไรมัง่งมีผมขนเล็บควันหนังเอาแค่หอย่างนี้พอ อ่ะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยอพระเอกมันชื่ออะไรนะเอออย่าไปออกชื่อมันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทําลายเดตติ้งเขาสมมุติว่ามันชื่อสมมุติว่ามีผูมม้าชายคนหนึ่งมันชื่อกอรเราไม่เคยรู้จักแต่เห็นเพื่อนก็นมาพูดพี่ก็มาพูดน้องก็มาพูดไอไอไปตรงไหนคนก็ก็พูดถึงว่าคนนี้คนนี้คนนี้โอ้เราเลือกเลย เราเริ่มรู้สึกดีกับการที่คนมาพูดดีเยอะๆแล้วเราไปเห็นเออมันเราก็หลอดีอะไรดีใช่ไหมแล้วเราก็ติดเขาเราก็ไปตามดูตามมันทุกตอนทุกตอนโอ้ยต้องดีนะดูดีโอ้ยดูลนะหลอนะนะ ม, มันปกปิดความเป็นจริงไ อ, อ้คำว่าหล่อคําว่าดีคำว่าน่ารักเนี่ยมันเป็นสุภพนิมิตคือเราไปติดในรูปแบบของคําว่าสวยคำว่า ง, งามทีนี้ไอคนนั้นแหละถ้าเราไปดูเป็นธาตุให้เห็นความเป็นจริงเขาอ่ะ เขาประกอบพื้นธาตุสี่ธาตุาดินน้ำลมไฟดินก็คือผมขนเล็บควนหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่ดินในตัวเขาน้ำก็คือดีสเลตหนองเลือดเหงื่อมันก้นน้ำตาเปลียมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเนี่ยธาตุน้ำธาตุลมก็ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดมเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจ ธาควายคือควายที่ยังกายให้อุ่นควายที่ยังไกายทุดโสมควายที่ยังไกให้กระวนกระวายควายที่ช่วยเผาผลาญอาหารนย่อยนี่คือธาตควายเราดูแค่ธาตุเดียวดูแค่ธาตุดินที่เราเห็นได้ง่ายๆธาตุดินเมื่อกี้บอกว่าอะไรผมขนเล็บควันหนังอ่าเราดูผมไอ้คนที่เราว่ามันหล่อมันดีมันน่ารักมันสมาร์ทเนี่ยเราอย่าเพิ่งดูทั้งตัวดูผมมันก่อนไอ้ที่เราว่าสวยว่างามว่าหล่อก็คือผมมันสวยด้วยอะใช่ไหมนี่เราดูสิเออ เวลาเราดูว่าผมสวยเขาเรียกว่าสุภานิมิตรเราไปกําหนดเอาเองว่ามันสวยแต่ถ้าเราดูตามความเป็นจริงความเป็นจริงดูอย่างไรดูให้ได้ห้าเรื่องหนึ่งสีสองสันฐานสามกลิ่นสี่ที่เกิดที่อยู่ห้าที่อยู่ดูห้าเรื่องเส้นผมเนี่ยไอ้คนนั้นไอะคนที่เราว่ามันดังๆ ด, ด, ดีดีนั่นนะดูเส้นผมละตาดูก็ได้หนึ่งสี มันงามไม่เสียสันฐานคือรูปร่างมันเป็นแบบไหนลักษณะเส้นผมเป็นแบบไหนเป็นเส้นๆใช่ไหมเออเป็นเส้นๆสันฐานเนี่ยหอกอยู่บนศีรษะเบื้องหน้าอยู่ที่หน้าผากสุดนี้เบื้องหลังปลายคอต่อเบื้องขวางก็มีหมวกหูสองข้างนี่เป็นตีสุดเป็นเส้นๆหอกอยู่บนศีรษะใช่ไหมหนั่นแหะสันธานของมันกลิน เป็นยังไงฮะไอ้ที่มันหอมมากินผมที่มันหอมมันแชมพูทั้งนั้นแหละออกจริงเปล่าถ้าเหลือแต่ผมเฉยๆลองไม่สางไม่สางไม่ชาระชะล้างสิสองวันเนี่ยไม่ชําระชะไม่ชําระสะาสางไม่สางไม่สางมันสองวันเป็นไงฮะเออลองดูที แต่และคนนะเฉพาะไอ้เครื่องผมเนี่ยมาเคยพาพระไปบวชที่อินเดียเด็กหนุม่มเสร็จแล้วพอบวชเสร็จก็มาพักห้องเดียวกันไอ้ปอก็ปกติเข้าห้องน้ําก็ปกติใช่ไหมอะไรที่มีอยู่ข้างในเราก็ใช้หมดอ่ะเราไม่ต้องไปลื้่กระเป๋าไอ้ซบูของตัวเองที่เอาไปก็ไม่ลื้ออกมาถ้าไปต่างประเทศนะไปพักนะมันมีอะไรตั้งไว้ตรงนั้นกูใช้หมด ใช่นะนะ่น่ะข้าไปถึงปกติพอไอ้คนนี้บวช ด, ด้วยแล้วมาอยู่ด้วยกันเดินเข้าไปที่ตกใจเลยโอ้โ ห, โหกองหนูงี้ <c oughs> เป็นฐานทางงี้บอหเฮ้ยอะไรนักหนาววะเนี่ยไอ้อนี่เป็นอย่างนั้นไอ้า น, า น, านั้นเป็นอย่า ง, งานันานาน้นไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นโอ้ยตายห่าโอ้โหเยหอะมาก เพื่ออะไรเพื่อให้เราโง่ต่อไปเพื่อให้สุพนิมิตของเรากําหนดต่อไปเราไม่มีโอกาส ร, รู้ความเป็นจริงทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะบรรเทาสิ่งเหล่านี้ต้องดูอาสุภนิมิตคือดูความเป็นจริงของสิ่งนั้นเนี่ยสีเป็นอย่างไรสันฐานรูปร่างเป็นแบบไหนของเราเนี่ยที่เกิดเกิดอยู่ที่ไหนเกิดอยู่ที่หนังศีรษะลายเส้นผมมันเป็นเม็ดเม็ดคล้ายๆกตัวของหอกอยู่ในศีสาก ที่อยู่มันเป็นอย่างไรชุ่มแช่อยู่ที่น้ําเหลืองน้ําเลือดของเราหมักตัวอยู่ในนั้ น, นตรงไหนที่งามอ่ะดูที่เส้นผมหนึ่งเสน้นรากผมเป็นกลมๆเม็ดเม็ดเหมือนกับตัวเหาขวางอยู่ที่บนผิวหนังศีรษะของเราแล้วจมอยู่ด้วยน้ําเหลืองกับน้ําเลือดเป็นตัวเลี้ยงชุ่มแช่อยู่ในนั้นเรียกว่าปุปโปโลหิต แล้ ว, วลก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้ความที่มันชุ่มแจ่อยู่ในสิ่งสกปรกถ้าปล่อยทิ้งไว้นะมันจะส่งกลิ่นเหม็นสาบเหม็นสางออกมาถ้าไม่ชำระสระสางแล้วจะสกปรกหน่าเสียเอียนเอาที่ดูต่อไปดูไต่อไปไอ้เส้นผมเนี่ยอย่าว่าแต่ของคนอื่นเลยเนี่ยเราสองคนนี่เป็นเพื่อนรักกันใช่ไหมเออ เราลองดูเรากําลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยเพื่อนยกก๋วยเตี๋ยวมาให้แล้วผมเพื่อนมันตกลงไปในถามก๋วยเตี๋ยวของเราเราจับมาถึงตัดเส้นผมของเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราเนอะเพื่อนรักเราเนอะเราตักมาเส้นผมเพื่อนเรามันพันอยู่ที่ชอนเฮ้ยรู้สึกยังไงรู้สึกไงเอาไม่เป็นเราก็ได้เป็นเป็นเป็นเป็นเราก็ได้เป็นเส้นผมเขาอ่ะเราเป็นไงอะ เออเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีความรังเกียจในความศกรปรกมันเป็นเครื่องยืนยันชัดว่าที่เกิดที่อยู่เขาด้านชุ่มแช่อยู่กับสิ่งศกรปรกแต่เราไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงอย่างนี้เพราะนั้นเราพอเห็นสิ่งเหล่านี้ที่เขาประดับประดาตกแต่งงดงามเราก็สำคัญผิดหลงรักใครชอบใจ แต่ผมของเรามันจะแปลเปลี่ยนไปตามความสำคัญผิดของใครไหมไม่แปลมันก็ยังเป็นสิ่งสุกโปกสุโคกอยู่ตามธรรมดาของเขาเราจึงเรียกตรงนี้ว่าสุภนิมิตคือเราไปคาดหมายสมมุติเอาว่ามันสวยมันงามเนี่ยแต่ถ้าเรามองอย่างนี้ปั๊บเมื่อใดนะไอ้คนคนนะั้นมันจะค่อยๆ่อยหมดลอไปทีละ้ยี่สิเปอร์เนยี่สิเอร์เซ็ตเลยนี่เส้นผมอย่างเดียวนะลูกนี่ไปมองอื่นะ มองตามความเป็นจริงนันนะเส้นผมเกิดขึ้นบนหนังศีรษะใช่ไหมอขนทั่วทั้งร่างกายยกเกสรยกยกย ก, ยกเกษาออกเว้นขวามือขวาเท้าสิ่งที่เรียกว่าขนที่ทั่วสะพางกายของเรามันก็เหมือนกับเส้นผมของเรามันก็งอกบนอกอยู่ในศีสระของเราเนี่ยอยู่กับสิ่งสุกภกสวรรค์นี้เล็บเนีย ไอ้คนไหนที <weigh> ่เราว่าหรอเราก็จะบอกว่าเล็บของเขาสวยด้วยไอ้คนไหนที่เราบอกว่าสวยเราก็ดูว่าเล็บของเขาสวยไอ้คนไหนที่เราบอกว่าสวยอ่ะผมก็สวยเห็นไหมควันก็สวยหนังก็สวยเล็บก็สวยมันสวยไปหมดแต่พอเรามองความเป็นจริงให้เห็นทีละจุดทีละจุดทีละจุดทีละจุดทีละจุดเราก็เห็นความสวยนี้ค่อยๆยค่อยๆหายไปในความรู้สึกของเรา เพราะฉะนั้นในการที่จะรักษาศีลให้ได้ดีจะต้องมีวิชานี้อยู่คือการรู้เรื่องราวตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้ของร่างกายของเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของตัวเองนะทีนี้เมื่อกี้พูดผมของของคนนี้ตกลงในชามก๋วยเตี๋ยวของคนนี้ใช่ไหม พวกเราก็ต้องเสียสละหน่อยนะมาใหม่ก็ยกตัวอย่างหนึงหรือผมของคนนี้ตกอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวคนนี้เอาใหม่ผมของเราเองเล็บของเราเองเอางี้ดีกว่าเล็บของเราเองกับผมของเราเองเนี่ยมันลงในชามก๋วยเตี๋ยวของเราเป็นขยุ่มเลยสองสามเส้นเดียวเราตักขึ้นมาโอ๊ยเราตักขึ้นมาอเรารู้สึกยังไงยังรู้สึกดีกับชามก๋วยเตี๋ยวนั้นไหม ฮะหรือเราตักไส่ปากคืนก็ไปแล้วเอาลิ้นดันผมของตัวเองไว้สูตรแต่น้ำเพี่งเดียวก็ไปแล้วค่อยๆดึงผมตัวเองออกมากล่าวไหมอ้าวจะป่วยเก่าวไปใหญ่ของคนอื่นถูกป่ะแม้แต่ของตนเองก็ยังรังเกียจที่รังเกียจเพราะอะไรเพราะรังเกียจในความโศกระปรกเพราะรู้ว่าความที่เกิดที่อยู่ของเขาชุ่มแช่ด้วยสิ่งโศกระปรกถูกป่ะเออ พระเจ้าเลยบอกว่าอสุาพานุปสิงสุาพานุปัสิงวิหารตังอินทริเยสุอสังางุตังโพชนามหิอมัตันุงกุสิตังหินวิริยังตังเวปัสสหติมาโรววาตูรุขังวัตุปะรังว่าบุคคลผู้ที่ตามดูตามรู้ตามเห็นอยู่เฉพาะสิ่งที่งามอย่างเดียวไม่เห็นความเป็นจริงนะ เออินทรียซุอาสามุตังแล้วก็ไม่ควบคุมการแสดงออกโผชนะมีจามัตะยงุงไม่รู้จักประมาณในการเสพทิ้งต่างๆไม่รู้จักพอดีนั่นแหละกูซี่ตังนีนาวินยังมีความเพียรพยายามไปในทางที่ไม่ค่อยดีหรือรวมความก็คือขี้เกียจคร้านไอ้เพียนความเพียรพยายามที่ไม่ดีหมายความว่า ชอบนอนชอบสบายไม่แอคทีฟตังเวปัสัง哈ติมารุมานความร้ายกาดความไม่ดีทั้งหลายจะเข้ามารังควานชีวิตของคนนั้นในที่สุดเขาก็ทุกความสําเร็จทั้งหลายแหลก็ถูกโค่นเหมือนกับต้นไม้ตังเวปัสัง哈ติมารุวาโตรุขังโอทุลั ง, ง, ง, ง, งเหมือนกับลมบางๆสามารถที่จะเกิดขึ้นแล้วก็พัดพาต้นไม้ที่อ่อนแอให้ล้มลงได้ นั้นความอ่อนแอความเปราะบางทางใจของเราเกิดขึ้นจากอะไรเป็นเรื่องใหญ่เลยนะหนึ่งในนั้นก็คือการหลงไหลในสิ่งต่างๆเพราะว่าพอมันหลงอย่างนั้นแล้วมันไม่ควบคุมการแสดงออกไอ้ทุกสังเกตบ้างสมมติว่าเราแบบใครเป็นไอดอลเราสักคนหนึ่งหรือเราเราชอบใครสักคนหนึ่งีเเเนนง่เป็นดาราสังเกตไหม อีกียาบ้าบ้า บ, า บ, าบาที่มันแดงแสดงอาการกรีดอาการอาการอะกันโอ้โหน่าทุเรศมากเอาสังเกตะะบ้ล่ะบางคนนะโอ้ยอมฆ่าตัวตายก็มีนะฆ่าตัวตายก็มีความคุ้มคลั่งนี่เรียกว่าอินทรีย yes ์เยสุสังวตังเมื่อมันลหลงไหลแล้วอินทรีย์เยสุทั้งๆไม่ควบคุมการแสดงออกไม่ควบคุมพฤติกรรมของตอนเองควบคุมพฤติกรรมของตอนเองไม่ได้ถึงขนาดนั้นขนาดนั้นอะ ันคนพวกนี้จิตใจของคนพวกนี้เหมือนกับต้นไม้ที่มันเป็นโพรงอยู่ข้างในที่เรียกว่าต้นไม้ที่อ่อนแอเมื่อเจอลมพัดมาปั๊บเป็นไงโค่นเหมือนจิตใจของคนพวกนี้มีอะไรมากระทบแป๊บเดียวอารมณ์แปลเปลี่ยนทันทีแปลเปลี่ยนทันที นี่ก็เรื่องวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องศีลอย่างเดียวอะเช้าเนี่ยกล่ะว่าให้เราได้เข่มขวักัขึ้ น, น, น, นทีนี้ต่อไปนี้เราก็จะสู้กับกิเลสชั้นกลางอานอเมื่อศีลเรามาทานกันแล้วนี่อั ต, อตมาก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์อะไรที่จะมากระทบตอนนี้ถ้าใครมาด่าเราตอนนี้กรธไหมฮะจริงไง เออถ้าใครมาด่าตอนนี้โกรธไหมได้ยินคนนินทาโกรธไหมเออสินข้อที่หนึ่งถือว่าบริสุทธิ์ได้ยุงบินผ่านข้างหูตอนนี้บื้เป็นไงตีไหมถ้าทันนะเดินไปเจอเงินล้านหนึ่งเก็บเป็นของตัวเองไหมเออนี่ด็ก็คิดว่าศินข้อสองน่าจะบริสุทธิ์เออินข้อที่สาม กคงคงไม่มีอ่ะนะศีลข้อที่สี่จะโกหกไหมไม่โกหกอะอืมเพราะฉะนั้นก็เรียก ว, ว่าผู้บูลนี่มีศีลบริสุทธิ์เอาเป็นว่ากิเลสส่วนหยาบเรากำราบมันตอนเนี้ยจะได้เท่าไหร่ก็ช่างมันแต่ต่อจากนี้เราก็จะสู้กับกิเลสส่วนกลางพวกนี้ยังไม่เคยนั่งสมาธิใช่ป่ะเคยไหมเคยบ้าง นั่งท่าที่สบายลูกนั่งท่าที่สบายอาจะมาให้ไปเอ้ยนี่จะสี่สิบเ็ดงแล้วอือ <c oughs> เอาอย่างี้พักสิบนาทีไปห้านาทีลุกไปพักก็งงน้ำ เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเราจยมาปฏิบัติทาสมา ธ, รรธิกันครึ่งชั่วโมงวันนี้พักช้าหน่อยนะสิเวดโมงครึง่ง